นี่ใครอยากจะถามอนะไรไหมหรือว่าต้องรอให้มีประเด็นก่อนอถามท่านเรื่อง <c oughs> เรื่องกรรมครับคือกรรมในศาสนาพุทธเนี่ยมันมีหลายประเภทบางทีเราอ่านในหนังสือก็จะพบว่ากรรมเหมืนกับตอนที่เราจะตายเนี่ยกรรมที่มันมา มาสนองเราครั้งสุดท้ายที่เรานึกถึงมันเนี่ยมันเหมือนกับมันมีที่ผลพราะมันจะพาเรานำเกิดไปใพบชาติต่างๆแต่ถ้าควรเกิดทำดีมาแต่อีกตอนนั้นมันเกิดไปนึกถึงเรื่องไม่ดีเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าแจ็คพอตออตอนจะตายหรือยังไงครับอะไรที่ทำมาแล้วดีๆเนี่ยก็คือว่าเขาจะมาสนองตอนหลังหรือยังไงครับอันนี้เป็นคาถามที่หนึ่ง เอาที่แล้ว อ, อัานดูกันเดี๋ยวจําไม่ได้คือต้องทําความเข้าใจคําว่ากรรมก่อนคําว่ากรรมนี่มั น, ปนแปลว่าการกระทําการกระทํำนี่เช่นเราพูดนี่เรียกว่าวาจีกรรมเราเดินไปเดินมาใช้ร่างกายเราทําอะไรเราเรียกว่ากายกรรมแล้วใจของเราคิด เร่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่ามโนกรรมนี่แปลนี่คือการกระทำสามประการที่เราทํากันอยู่ทุกวันตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่เราก็คิดแล้วคิดก็มโนกรรมแล้วแล้พอลุกขึ้นไปทําอะไรก็เรียกว่ากายกรรมแล้วเวลาพบปะกับใครก็พูดคุยกับเขาก็เรียกว่าวาจีกรรมคำว่ากรรมแปลว่ากรรมเป็นเหตุ ที่เมื่อกี้คุณถามนั้นคุณหมายถึงคำว่าวิบากคือผลของกรรมที่คุณทําไว้นี่มันจะส่งผล ผ, ผลของการกระทาเราเรียกว่าวิบากไม่ใช่กรรมกรรมเป็นเหตุวิบากเป็นผลผลก็คือความสุขความเจริญความทุกข์ความหุนหวายใจแล้วก็ ถ้าทำบุญก็ผลของบุญก็คือสวรรค์ถ้าทำบาปผลของบุญก็คืออบายในเข้าใจเอ็นคณต้องเข้าใจว่าที่คุณพูดเมื่อกี้คุณหมายถึงวิบากเวลาที่คนตายแล้วผลของการกระทําที่เราทํามาทั้งชาติเนี่ยเรื่องของชาติก่อนที่ยังไม่ส่งผลเนี่ยมันจะมาเป็นตัว ที่จะส่งผลให้กับดวงวิญญาณของเราที่ออกจากร่างเนี่ยจะไปสูงไปต่ำหรือไป ก, กลางๆเนี่ยอยู่ที่การกระทาของเราที่เราได้ทำไว้มันจะมาเป็นผู้ที่จะม า, าดึงใจของเราไปนี่การกระทาของเรานี่มัน มีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งไม่บุญไม่บาปบางวันเราก็ทำบุญอย่างวันนี้เรามาทำบุญบางวันเราก็ทำบาปเราพูดโกหกคนนั่นคนนี้เราหยิบของของคนนั่นคนนี้ที่เขาไม่ให้เรามาหรือเราไปฆ่าสัตว์ตบยุงตีมดอะไรอย่างนี้ก็เป็นบาป แล้การกระทําทั้งบุญทั้งบาปมันจะสะสมเหมือนกับเราเอาเงินเข้าธนาคารเวลาเราทําบุญก็เหมือนเราเอาเงินเข้าธนาคารไปไปฝากเวลาเราทําบาป ก, ก็เหมือนกับเราไปกู้เงินจากธนาคารออกมาการฝากเงินก็มีผลคือเราจะได้ต้นกับดอกเป็นผล การกู้ก็เหมือนกันกู้ก็มีผลเราก็จะมีต้นกับดอกที่เราจะต้องใช้เขาแล้วเวลาที่เราตายก็เหมือนกับเวลาที่เราปิดบัญชีธนาคารนะเราธนาคารเ้าก็จะดูว่ า, าเงินฝากกับเงินกู้อันไหนมากกว่ากันถ้าเงินฝากมากกว่าเขาก็ให้เงินคืนมา ถ้าเงินกู้มากกว่าคุณก็ต้องไปหาเงินมาใช้ธนาคารถ้าไม่ใช้เขาก็จะจับไปเข้าคุกเข้าตารางหรือทำโทษไปบาปบุญก็เหมือนกันเวลาเราตายบุญกับบาปที่เราได้ทำไว้มันก็จะมาคิดบัญชีกันตอนตายถ้าบุญมีมากกว่าบาบุญก็จะดึงใจไปสวรรค์ไปสุขติ ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอบายถ้าบุญกับบาปมีเท่ากันก็จะดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ฉนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เวลาสุดท้ายของคุณที่คุณจะคิดอะไรหรอกฉนั้นคุณก็ทาบาปมันไปทั้งชาติเถแล้วเวลาจะตายเคิดว่าวันนี้ขอทำบุญท่านหน่อยแล้วคุณก็จะได้ไปสวรรค์ มันเป็นไปไม่ได้หรอกอันนั้นเป็นความคิดจินตนาการของคนที่ไม่รู้เรื่องด้งนั้นเองแต่มันก็มีกรณียกเว้นที่เราสามารถมาวิเคราะห์กันได้เช่นมีพระรูปหนึ่งท่านบวชเป็นพระท่านก็มีศีลมีบุญแต่ท่านมีกิเลสคือท่านชอบจีวรรักจีวรของท่าน ในเวลาที่ท่านตายไปความรักของจีวร น, นี่มันมากกว่าบุญที่ได้ทำไว้มันมีกำลังมากกว่าทำให้ท่านมาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรเพราะท่านอยากจะอยู่ใกล้จีวรของท่านแต่ก็อยู่ได้ไม่กี่วันเพราะว่ามันก็มีอายุไม่กี่วันก็ตายไปพอตายไปท่านก็ไปรับผลบุญผลบาปที่ท่านได้ทาต่อไป แต่ในช่วงแรกๆช่วงที่ตายใหม่ๆนี่มันอาจจะมีความห่วงมีความหวงอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะดึงให้ความความหวงความหวงนี้ก็จะเดึมให้กลับมาอยู่ใกล้กับสิ่งที่ตนรักหวง mm hmm. แต่ก็อยู่ได้ช่วงระยะสั้นๆแล้วก็ดูว่ากลับมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปโหงจีวรได้ก็พอตายไป จากตัวเลนไปมันก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปอันนี้เป็นกรณีกรณียกเว้นมีมีอยู่คนบางคนมีความห่วงอะไรมากๆแทนที่จะไปรับผลบุญผลบาปก็กลับมาเกิดเป็นตุ๊กแก่บ้างเป็นจิงจบบ้างเพราะเป็นสิ่งที่เกิดง่ายอยู่ใกล้จะได้อยู่ใกล้กับสิ่งที่ตนรักที่ตนชอบ ออยู่ใกล้ก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะไปสื่อสารกับสิ่งไปทําอะไรกับสิ่งที่ตนเองชอบได้พอตายไปก็มันความความนั้นก็หมดไปแล้วผลของบุญของบาปที่ได้ทําไว้ก็จะมาทําหน้าที่ดึงไปต่อไปถ้าถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปรับผลบุญจนกว่าบุญกับบาปมันเท่ากัน พรบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็ดึงดึงให้อยู่บนสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงให้ไปอบายไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์กันเช่นเดียวกับเวลาที่ไปถ้าบาปมากกว่าบุญตายไปก็ไปอบายนแล้วพอบุญกับบาปแต่บุญกับบาปก็ยังไม่หมดเพียงแต่ว่ามันมีกําลังเท่ากันบุญที่เคยบุญบางส่วนยังไม่ได้แสดงผล บาบบางส่วนยังไม่ได้แสดงผลพอดีมันมีกําลังเท่ากันมันก็เลยดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมารับวิบากขณะที่เป็นมนุษย์ได้อยู่เหมือนกันถามข้อต่อไปนะครับนะถามท่านว่าเวลาเราพูดถึงบุญนะครับมันมีาการกระทําหลายอย่างที่ถือว่าเป็นบุญเช่นการทําบุญตักบาบงานสร้าง ว่ัราวัตถุบำรงวิศา ส, สนาแต่บางครั้งการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเช่นความมีเมตตาธรรมช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เนี่ยทีนี้ไอ้กรณีที่ว่าบุญเนี่ยบางคนก็จะบอกว่ามันไม่เท่ากันเป็นธรรมนี้ได้ในระดับสูงธรรมนี้ได้ในระดับต่ำความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตใจของเราใช่ไหมครับคำ ว, ว่าบุญแท้เนี่ยคือเราจะทําลายกิเลสในตัวเราให้ลดลงมากน้อยแค่ไหน มันคือมันคือจริงๆแล้วมันคืออันนั้นใช่ไหมครับคำว่าบุญเนี่ยไ ค, คือบุญมันก็มีหลายเกรดมีหลายระดับเหมือนกับเงินทองธนบัตรมีหลายราคามีแบงค์ห้าห้าร้อยแบงค์พันแบงคร้อยมีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแล้วก็มีเหรียญอกีกมันมีหลายหลายราคาฉันใดบุญที่พระเจ้าทรงสอน ให้ชาวพุทธเราทำนี้ก็มีสิบชนิดบุญที่เกิดจากการทำทานนี่ก็อย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็อีกอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการภาวนาก็มีราคาอีกราคานึ่งทำบุญทำทานนี่น้อยกว่าการรักษาศีลอันนี้สองมันต่างกันนะการภาวนานี่มันมากกว่าการรักษาศีล การภาวนานก็มีสองระดับสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็น้อยกวิปัสสนาผลที่ให้มันแตกต่างกันนอกจากนั้นก็ยังมีบุญที่เป็นบุญที่มีราคาอย่างอื่นอีกเช่นการอนุโมทนาบุญก็ได้บุญการกวดน้ำาอุทิศบุญก็ได้บุญ การรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นก็ได้บุญการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาราวะก็เป็นบุญอีกการมีความเห็นที่ถูกต้องก็เรียกว่าบุญอีกเห็นว่ามีบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอีกอย่าง การให้ธรรมะแกะ่ผู้อื่นก็เป็นบุญอีกอย่างอันบุญมันมีหลายราคาและมีประโยชน์ต่างกันไปตามตามเหตุของบุญนั้นๆเช่นทาทานนี้ก็จะทำให้เรามีทรัพย์ติดตัวไปทรัพย์ก็คือทรัพย์ทรัพย์ภายในที่จะทำให้เรามีความสุข แล้วก็ถ้าเรารักษาศีลได้ด้วยศีล น, นี้ก็จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายแล้วถ้ามีบุญด้วยก็จะทำให้เราไปเกิดเป็นเทพถ้ามีศีลอย่างเดียวไม่ได้ทำบุญมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์ก็คือไม่ทำบาปแล้วก็ไม่ได้ทำบุญอยู่กลาง นั้นถ้าอยากจะไปสวรรค์เป็นเทพนี่ต้องทำบุญแล้วก็ต้องรักษาศีลด้วยแล้วถ้าภาวนานั่งสมาธิทำจิตให้สงบเนี่ยมันก็จะทำให้จิตมีความสงบความสุขระดับของพรมก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้ามีวิปัสสนามีปัญญามีเห็นอริยสัจสี่เห็นตายลัก ลอยวางทุกสิ่งทุกอย่างรับความอยากได้รับความอยากทุกอย่างได้ก็ไปเกิดเป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอนาคามีนี่นี่เป็นเป็นผลที่จะเกิดจากการที่เรามีปัญญามีวิปัสสนาส่วนบุญอย่างอื่นนี่เป็นบุญเสริมเช่นการร่วมอนุโมทนาบุญกับคนอื่น เวลาคนอื่นเขาทำบุญเราก็ร่วมไปกับเขามันก็ทำให้เรามีความสุขและเวลาเราทำบุญคนอื่นเขาก็จะมาร่วมอนุโม ท, าทนาบุญกับเราถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นเราก็มีความสุขแล้วเวลาเราเดือดร้อนก็จะมีคนอื่นมาช่วยเหลือเรามันมีผลต่า ง, างกัน แต่ที่บุญที่สาคัญก็มีอยู่สท า, านศีลภาวนาอันนี้จะเป็นบุญที่มีพลังมากบุญอย่างอื่นก็เป็นมีเป็นพลังเสริมเช่นการฟังเทศฟังธรรมก็จะเป็นการทำให้เรารู้จักว่าเราจะต้องทำบุญชนิดไหนบ้างถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมอย่างคนคนก็ไม่รู้ว่าบุญชนิดไหนเป็นอย่างไรวันนี้ได้มาสนทนาธรรมกัน ก็จะได้รับรู้ว่าบุญมีกี่ชนิดชนิดไหนเป็นชนิดที่สำคัญชนิดไหนทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เช่นการร่วมอนุโมทนาบุญกับคนอื่นจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้การกวดน้าจะกวดก็ได้ไม่กวดก็ได้เพราะว่าผลมันน้อยแต่สิ่งที่ต้องทำมีอยู่สี่คือการฟังเทศฟังธรรม าอันนี้ถ้าไม่ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรพอเราฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือทานทานก็ไม่ใช่เฉพาะที่เราทำกันแบบนี้อันนี้เป็นแบบเป็นแบบหัดฝึกหัดที่เรามาบริจาคเงินกันคนละนิดคนละหน่อยเป็นการฝึกหัดเพื่อที่จะได้ทำทานที่แท้จริงก็คือสละหมดเลย ฐานที่แท้จริงก็คือสละหมดพวกที่เขาออกบวชนี่เขาสละหมดนี่เรียกว่าฐานเพราะถ้าไม่สละหมดจะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไปเจริญวิปัสสนาสมถภาวนาได้อย่างเต็มที่จะทำได้ก็เพียงแต่เป็นแบบมือสมัครเล่นเวลาไม่เวลาไ ม, าไม่ต้องไปทำงานมีเวลาว่างกลับมาจากบ้านกลับมาจากทำงานอาจจะนั่งสมาธิก่อนนอน ตื่นขึ้นมาอาจจะนั่งสมาธิกลับไปทำงานอันนี้ก็ทำได้แค่นิดหน่อยครั้งสองครั้งต่อวันประโยชน์มันก็ไม่เกิดมากถ้าอยากจะให้เป็นประโยชน์มากก็ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนแบบพระนักบวชทั้งหลายเขาทำกันเขาจะไม่ปฏิบัติแค่ช่วงเวลาที่เขาพักผ่อนหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมานี่เขาปฏิบัติแล้ว เขามีสติก่อนนะแล้วมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิหรือถ้ามีสมาธิแล้วก็พิจารณาทางปัญญาพิจารณาไตรักพิจารณาอาสุภะก็จะสามารถตัดความอยากตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเหือนการทำทานที่แท้จริงก็คือทำทานแบบนัก บ, บวตก็ทำกัน ต้องสละหมดแต่ตอนนี้เรายังสละไม่ได้เพราะเรายังต้องอยู่แบบคาะวะอยู่เราก็ต้องมีเงินมีทองเราก็ทำได้บ้างบางส่วนที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตด้วยการใช้เงินใช้ทองเราต้องการใช้ชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรม เราก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองเอาไว้เพราะเงินทองมันเป็นตัวถ่วงการเจริญในการปฏิบัติเป็นเหมือนสมอเรือเวลาที่คณจะออกเรือนี่คณต้องถอนสมอก่อนถ้าคุณไม่ถอนสมอคณออกเรือไม่ได้ถ้าตราบใดคุณยังติดอยู่กับเงินทองเข้าของอยู่คุณจะไม่สามารถไปนิพพานได้ ไม่สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะคุณยังต้องใช้เงินซื้อซื้อของตามความอยากทำทำทำอะไรตามความอยากอยู่ยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มอยากรับประทานอาหารชนิดต่างๆอยู่อยากหาอยากหาความสุขจากการใช้เงินใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าคุณยังต้องใช้เงินแบบนี้อยู่คนก็จะ ไม่สามารถไปปฏิบัติได้เต็มรูปแบบเพราะคุณยังติดความสุขของของรูปเสียงกลิ่นลสดก็จะทำให้คุณต้องกลับมามีตาหูจมูกดิ้นกายร่างกายนี้ตายไปความอยากยังมีอยู่ก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หาความสุขทางราบยศเสริญทางรูปเสียงกลิ่นสดใหม่ ก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เห็นโทษของการติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็จะต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายก็ต้องไปปฏิบัติเต็มรูปแบบรักษาศีลศีลก็ต้องเป็นศีล8ขึ้นไปสำหรับผู้ที่ยังยังไม่ได้บวชก็รักษาศีล5รักษาศีลห้าบุญไปตามโอกาส ตามกำลังอันนี้ก็จะได้อนนี้สงตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพจากเทพก็ลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีบารมีจากบุญที่ได้ทำเอาไว้ทานที่ได้ทำเอาไว้ก็จะมีความสุขกลับมาเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยหรือฐานะดีไม่ไม่อดอยากขาดแคลน แต่ก็จะเวีย น, นอยู่อย่างนี้ไปถ้าทำทานกับรักษาศี่ห้าแล้วอาจจะภาวนาบ้างก็แต่ภาวนามันไม่มากพอที่จะส่งผลให้ขึ้นไปถึงชั้นพรมได้คนที่จะขึ้นสู่ชั้นพรมได้นี่ต้องจิตต้องรวมเป็นสมาธินั่งน้อสงบจริงๆสงบแบบร่างกายหายไปสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิ อันนั้นถึงจะได้อันนี้สองของการไปเป็นพรหมแล้วมันจะทาให้ถ้าได้ได้ความได้ผลจากการนั่งสมาธิมันก็จะทำให้เบื่อกับชีวิตของค่าวาวาดมันก็จะลาออกจากงานจะหยุดยุติการหาเงินหาทองแล้วก็เอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จาก การนั่งสมาธินี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากเงินทองจากการที่ได้ใช้เงินใช้ทองมันก็จะทําทานได้อย่างเต็มร้อยคนที่ได้สมาธิแล้วนี้เขาจะทําทานได้อย่างเต็มร้อยมีเท่าไหร่เขาก็สละได้หมดเพราะเขาไม่ต้องใช้เงินแนละ้วเพราะเขามีวิธีหาความสุขที่ดีกว่าการใช้เงิน เหมือนถ้าคุณได้รถที่ดีกว่าคันเก่าคุณจะเก็บรถคันเก่าไว้ทําไมถ้ามีคนให้ให้คุณรถคันใหม่เอี่ยมมาราคาดีกว่าแพงกว่าคันเก่าสิบเท่าคุณจะเก็บรถคันเก่าไว้นะก็โยนทิ้งไปยกให้คนอื่นไปคุณขับรถคันใหม่ดีกว่าเนรถคันใหม่ของพวกเราก็คือสมาธิเนี่ยคือความสงบถ้าได้ความสงบแบบจริงๆแล้วมันจะ ไม่อยากได้อะไรมันอยากจะได้ความสงบอย่างนี้อย่างเดียวมันก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสงบนี้ให้มีอยู่เรื่อยๆให้มีอยู่ตลอดเวลามันก็จะพาให้ไปสู่การเจริญวิปัสสนาเพราะการเจริญวิปัสสนานี้จะสามารถรักษาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้คงอยู่ไปได้ตลอดเพราะสิ่ง พอใจยังมีสิ่งที่จะมาทําลายความสงบที่ได้จากสมาธิอเวลาออกจากสมาธิมาพอไปเห็นขนมก็เกิดความอยากเห็นอะไรก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาก็จะสู้ความอยากไม่ได้ความอยากมันก็จะดึงให้เราไปหาความสุขทางร่างกายใหม่แล้วพอเบือ่อแล้วก็ต้องกลับมานั่งสมาธิใหม่ มันก็จะดึงไปดึงมาอย่างนี้ถ้าเราอยากจะไม่ต้องกลับมาหาความสุขทางร่างกายพอเกิดความอยากดื่มอยากดูอยากฟังก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นมื้นความสุขของคนติดยาเสพติดซึ่งมันไม่ดีเวลามีเสพก็ดีเวลาอยากเสพถ้าไม่มีเสพก็จะทุกข์ แต่ถ้าไม่อยากแล้วก็จะไม่มีปัญหาก็หยุดความอยากเสียดีกว่าอยากจะกินขนมเมื่อยังไม่ถึงเวลากินอาหารก็ไม่ต้องกินมันถ้าจะกินก็กินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อความอยากถ้าจะดื่มอะไรก็ดื่มเพื่อร่างกายไม่ได้ดื่มเพื่อความอยากอันนี้มันก็จะตัดสิ่งที่มาทำลายความสงบของใจทาให้ใจมีความสงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องดื่มไม่ต้องกินอะไร อันนี้ก็เป็นเรื่องของอบุญสิบชนิดในพระพุทธศาสนาถ้าจะแยกก็เป็นอาหารหลักกับอาหารเสริมอาหารหลักก็คือการฟังเทศฟังธรรมการทาทานการรักษาศีลการภาวนาอันนี้ต้องทำถึงจะได้บุญบุญจริงจริง บ, บุญใหญ่ๆหญ่แต่บุญอย่างอื่นนี้เป็นบุ ญ, บญเสริมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ เห็นวันนี้ทําบุญแล้วจะโกรธนะไปก็ได้ไม่โกรธก็ได้คนอื่นก็ทําบุญเราอาจจะอนุโมทนาด้วยก็ได้ไม่อนุโมทนาด้วยก็ได้เราจะมีครา้งอ่อนน้องถ่อมต้นหรือไม่ก็ได้แต่มันมีก็ดีกว่าไม่มีมีสมาคารวะกับไม่มีสมมาคารวะอย่างไรมันดีกว่ากันเราจะ มีธรรมะแจกคนอื่นไม่มีก็ได้เราจะอาจะจะแจกธรรมะเราอาจจะไปพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็ได้แล้วร่วมร่วมบอยจากเงินพิมพ์หนังสือแจกธรรมะก็ได้อันนี้ก็เป็นการแจกธรรมให้แก่ผู้อื่นการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่ดีมีก็จะทําให้เรารู้ว่าเ อ, อ่ออะไรเป็นอะไรถ้าไม่มีก็อาจจะทําให้เราหลง บางคนไม่มีสมาทิฐิคิดว่าตายแล้วสูญ อ, อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสมาทิธิก่อนที่มีสมาทิธฐิก็คือรู้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปเกิดต่อถ้ามีสมัมราทิธฐิก็จะได้รู้ว่า อ, อถ้าเราต้องไปเกิดต่อถ้าเราอยากจะไปดีเราก็ต้องทำบุญถ้าเราอยากจะไปไม่ดีเราก็ทำบาปแต่คนที่ไม่มีสมาทิฐิเขาคิดว่าตายแล้วสูญทำอะไรก็ได้ๆๆ อยากจะทำดีก็ได้ไม่ทำดีก็ได้อันนี้ก็จะเป็นโทษกับเขาแต่มันก็ไม่ได้มีผลมากไปกว่านั้นผลที่จะมีมากสำหรับจิตใจของเราก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมอันนี้บุญดังนั้นพระเจ้าสอนว่าชาวพุทธเหล่านี้ควรจะทำบุญใน ของพระพุทธศาสนาบุญสิ ป, ประการเนี้ถ้าทําบุญสิบ ป, ประการนี้พอละไม่ต้องทําบุญอย่างอื่นนะไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาออสินแสบุญเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในบุญอยู่ในบุญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่สอนก็ไม่ต้องไปทำํำบางคนบอกให้ไปเปลี่ยนไปหาสินษาหมอดูเขาบอกให้เปลี่ยนทรงผม ให้เปลี่ยนชื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นหรือไปทำพิธีกรรมอะไรต่างบูชาลาหุนซื้อของดำสิบแปดชนิดหรือสิบชนิดถูกดำเทียนดำอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นบุญที่ไม่ใช่เป็นบุญในสายตาของพระ เ, เจ้าไม่ได้มีผลกระทบกับจิตใจของเราแต่อย่างใดไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจิตใจของเรา ไม่ได้ทำให้จิตใจเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงแต่สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเขาก็อาจจะถูกเพื่อนหรือคนแนะนำไปว่าให้ไปหาหมอดูคนนี้หาหมอดูคนนั้นแล้วหมอคนนั้นก็แนะนำวิธีต่างๆถูกบ้างผิดบ้างไปหาบางหมอเขาก็สอนให้ไปถวายสังฆทา น, นก็ยังดีก็ได้ไปทำทาน หมอบางคนก็บอกว่าให้ย้ายบ้านแส้บ้านที่อยู่นี้ไม่ดีหรือบ้านดีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีสารพระภูมิต้องไปตั้งสารพระภูมิมีเจ้าที่เจ้าทางต้องบูชาเจ้าที่เจ้าทางชีวิตบ้านถึงจะปลอดภัยชีวิตจะได้ดีอันนี้มันเป็นการการสอนที่ผิด แม้แต่ในทางศาสนาพูดบางทีก็มันก็มีความเข้าใจผิดมันผสมกับความเข้าใจถูกเจนเวลาขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องนิมนต์พระไปสวดที่บ้านไปฉันที่บ้านบ้านถึงจะได้เป็นมงคลมันไม่เกี่ยวกันะคุณทาบุญที่ไหนมันทําผลมันเกิดที่ใจมันไม่ได้เกิดที่บ้านแต่บางคนคิดว่าขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมีพระไปขึ้นไปสวดไปกินที่บ้านบ้านจะได้ปลอดภยัยน้ําจะได้ไม่ท่วมไฟจะได้ไม่ไหม้ ขโมยจะได้ไม่ขึ้นก็อันนี้ก็เป็นความเห็นผิดละไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกการทำบุญนี้ทำเพื่อใจของเราไม่ได้ทำเพื่อบ้านของเราบ้านของเรามันจะเป็นยังไงเราห้ามมันไม่ได้เกิดวันดีคืนดีน้ำมันจะท่วมมันก็ท่วมต่อให้นิมนต์พระกี่ร้อยรูปไปไปสวดมันก็ท่วมถ้ามันจะท่วมดังนั้น ผู้ที่ได้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ได้ได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันนี้ท่านจะละศีลพัฒตปรมาจาก็คือการทำบุญนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าอันไหนเป็นบุญอันไหนไม่เป็นบุญท่านก็จะมั่นคงอยู่กับบุญสิประการที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเท่นั้น สองข้ามหมดแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะทางนี้ว่างมากมีค<อ>นปัดหาม า, ส, าสองคนนะคะมีคนปัดหามาสองคนนะคะชื่อคุณป อ, อยคะ่ะเขาบอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตรวมเร็วและดิ่งลงไปเหมือนใจจะขาดจึงกระชากจิตขึ้นมาค่ะวิธีแก้คืออะไรคะถ้ปล่อยให้มันขาดไปอะจิตมันจะรวมมันต้องขาดมันรู้สึกเหมือนกับขาดใจตายอย่างนั้นมันลมหายใจหายหายเครืองสุดท้าย มันจะหมดลมอย่างนี้แล้วมันก็จะสงบเพราะจิตปล่อยลมแต่ร่างกายไม่ตายร่างกายมันก็หายใจของมันต่อแต่ใจปล่อยวางการยึดติดอยู่กับลมหายใจดันั้นเวลาที่มันจะรู้สึกว่ามันจะขาดใจตายนี่แสดงว่ามันกำลังจะรวมก็ปล่อยมันขาดใจไปแล้วมันก็จะสงบแล้วก็จะนิ่งไม่ต้องไปทำอะไรให้ดูลมไปเฉยๆมันจะขาดใจก็ปล่อยมันขาดใจไปอย่าไปดึงมันกลับ ถ้าดึงมันกลับมันก็จะไม่ลงเหมือนกับมันจะตกบ่อแล้วกลัวตกบ่อไม่ต้องกลัวบ่อนี้ตกไปไม่เจ็บหรอกบ่อข้างล่างมีเบาะอยู่หนาๆสบายพอพอขาดใจแล้วมันนิ่มันสงบมันเย็นมันสบายเหมือนกับเวลาเราปฏิบัติแล้วเราปลงความตายได้ขณะไปเผชิญความตายแล้วยอมตายนี่มันก็แบบเดียวกัน พอยอมตายปล่อยร่างกายปรับใจก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบเลยเออข้อสองนะคะจากคุณใหม่ค่ะถามว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้จักพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดค่ะรู้จักแต่พ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาอยากทราบว่าการทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่ที่ให้กําเนิดเราท่านจะได้รับหรือไม่คะเราไม่รู้จักท่านแล้วท่านจะได้รับยังไงสอง ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ทำทำให้ท่านไม่ได้ทำได้ก็เฉพาะเวลาที่ท่านตายไปแล้วแล้วก็ถ้าทำไปตอนที่ตายไปแล้วบุญก็น้อยมากเหมือนบุญให้เหมือนกันให้ขอทานยังงั้นก็ไม่ต้องไปกังวลมันไม่ใช่หน้าที่ของเราคือว่าหมายความไม่ได้เป็นความผิดของเราที่เราไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเราเป็นใครให้เราถือพ่อแม่คนที่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ของเราไป แล้วก็ทําบุญกับพ่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเราเพราะว่าถึงแม่พ่อแม่ของคนที่ให้กําเนิดเราก็ก็จริงไงแต่บุญที่พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรานี้มันมากกว่าเพราะถ้าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราไม่เลี้ยงดูเราเราก็ตายไปอยู่นี่เกิดมาแล้วสมมติพ่อแม่ทิง้งพ่อแม่ที่เกิดมานี่ทิ้งลูกไว้ให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็ไม่เลี้ยงต่อเราก็ตาย แต่คนที่เ้าเลี้ยงต่อเรานก็จะถือว่าเป็นพ่อแม่จริงของเราก็ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าพ่อแม่จริงของเราเป็นใครนะถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่จริงเราก็ถือว่าเรามีสองพ่อแม่ก็แล้วกันอ่าก็แต่ความสำคัญคิดว่าอยู่ที่พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามากกว่ายกยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านตายไปเจ็ดวันแม่ของท่านก็ตายไปแม่แม่เลี้ยงพี่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็คือน้าก็มาเป็นแม่แทน เราเลี้ดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ข่ารถเป็นแม่ไปแต่ท่านก็รู้ว่าแม่ของท่านเป็ดไครพอท่านตัดสรู้แล้วท่านมีพลังจิตท่านก็ค้นหาจิตของแม่ของพระพุทธเจ้าก็ไปพบว่าอยู่ที่สวรรค์ท่านก็เลยไปติดตามแล้วก็ไปสนทนาธรรมไปสั่งสอนธรรมจนทําให้แม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอันนี้ก็ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่ร่วงรับไปแล้ว ถ้าเรามีปัญญามีมีสมาธิมีพลังจิตเราก็สามารถที่จะไปค้นหาพ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่อยู่ในฐานะที่รับธรรมของเราได้เราก็สามารถช่วยท่านได้แต่ท่านไปอยู่ที่ที่ท่านรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทบทตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ของผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว ถ้าพวกเราไม่มีพลังจิตไม่สามารถติดต่อของพ่อแม่ได้ไม่มีธรรมะเราก็ไม่สามารถสอนให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัานได้อย่างมากที่เราทําได้ก็คือทําบุญกวดน้ําไปทําทานแล้วก็กวดน้ําไปอุทิศบุญให้กับพ่อแม่เราก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เราก็รู้อยืนเราเพียงแต่พูดว่าคนที่ให้กําเนิดกับเราเนะี่ยเป็นใครก็ตามถ้าเป็นผู้ให้กําเนิดแก่ข้าพเจา้าก็ขอให้รับส่วนบุญ ที่ได้อุทิศนี้ไปก็ถึงถ้าเขารอรับอยู่บางคนเขาก็ไม่ได้รอรับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นขอทานบางคนตายไปแล้วไปเป็นเศรษฐีบุญคือไปเกิดเป็นเทวดาบุญที่เราส่งไปก็เหมือนเงินที่เราส่งไปให้เศรษฐีเงินที่เราให้ขอทานห้าสิบบาทร้อยบาทเราส่งไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็ดูว่าเอามาให้กูทาไมวะให้มาก็ดี ก็าอาจจะหอโนโมทนาแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับเขาดังนั้นก็ทําได้เท่านี้สําหรับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแต่ถ้าเขามีชีวิตอยู่เราจะทําให้เขาได้มากกว่าเช่นให้ให้เงินเขาเป็นหมื่นเป็นแสนได้ให้เงินเขาไปซื้อบ้านซื้ออาหารซื้อรถยนต์ไปทําอะไรต่างๆได้ถ้าเรารู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราค้นหาพบ ซึ่งเด็กบางคนก็สมัยนี้ก็มีการค้นหาผ่านทางสื่อเอี๋ยวนี้สื่อนี่สามารถที่จะติดตามหาคนที่เคยพัดพลาดจากกันได้เราเจอกันก็ไปพบกันแล้วก็อยากจะทดแทนบุญเกินก็มีเงินมีทองมีข้ามีของก็มอบให้เขาไปมีอยู่เรื่อยๆได้ยินข่าวคนที่อตอนที่เกิดมาแม่ไม่มีปัญญาที่เลี้ยงลูก ก็เลยเอาไปบอยจากให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างนี้แล้วก็มีคนเศรษฐีมามารับขอไปเป็นลูกแล้วก็ลูกก็พอโตขึ้นมาก็อยากจะหาแม่จริงเพราะว่าเขาเป็นคนชาติกันเขารู้ว่าพ่อแม่ที่ที่เลี้ยงเขามานี้เป็นเป็นผู้เป็นพ่อแม่ พ่อแม่เลียงไม่ใช่เป็นพ่อแม่จริงเขาก็พยายามค้นคว้าไปหาข้อมูลที่สถานเด็ดกกำพ ร, รา้าว่าแม่เขาคือใครพอได้ชื่อเขาก็พยายามค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเจาะเอกันขึ้นมาแล้วก็ได้ไปพบกันอันนี้ก็สมัยนี้สื่อมันก็มีประโยชน์ทำให้คนที่ไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกเลยมีโอกาสได้พบปะ ก, กันได้ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกถ้าลูกอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่เราไม่รู้จักไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็อยากจะหาเผื่อท่านเดือดร้อนเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือท่านได้เราก็จะได้ตอบแทนบุญคุณกับท่านได้แต่บางทีอาจจะไปพบพ่อแม่ที่ฐานะกลับดีขึ้นในตอนหลังก็ได้หรือบางทีไม่ดีก็ได้ ดีก็ดีไปเราจะได้สบายใจว่าท่านมีสุขมีความสุขมีความสบายแล้วถ้าท่านตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าเราไปพบเข้าเราก็จะได้ช่วยเหลือท่านตอบแทนบุญคุณกับท่านได้แต่เราก็ไม่ควรเลยบุญคุณของพ่อแม่เลี้ยงที่เลี้ยงดูเรามาเพราะการที่เราเป็นมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะแมพ่ อ, พ, อพ่อแม่เลี้ยงที่เลี้ยงดูเรามานี่เอง ก็เหมือนพ่อแม่จริงของเราค่ะท่านศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาคำ ส, สอนของ พ, องพ ร, องระพุทธเจ้าก็สร้างพระพุทธรูปษษ<กา>รคือการสร้างพระพุทธรูปกับศรัทธามันก็มันเป็นคนละเรื่องกัน่ะคือศรัทธาหมายความว่าเราเชื่อ่อใช่การสร้างพระพุทธรูปก็เป็นเป็นการสร้างฐาน ว, วัตถุ เหมือนสร้างกุติสร้างโบสร้างเจดีก็อยู่ในกลุ่มทานถือว่าเป็นการทำทานบริจาคทรัพย์สละทรัพย์เพื่อทำสร้างวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการทำทานการสร้างสร้างพระพุทธรูปแต่การศรัทธาความเชื่อของพระพุทธเจ้านี้เป็นการเป็นการ มอบอความไว้วางใจให้แก่พระพุทธเจ้าเราเป็นเหมือนคนตาบอดเราเชื่อว่าพุทธเจ้าเป็นคนตาดีเราจะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้ดีจากการกระทำอันนี้เรียกว่าความเชื่อมันไม่เหมือนกันก็ละอย่างกันก็ต้องมีถ้าถามว่าส อ, อย่างนี้อันไหนสำคัญกว่าก็ต้องมีศรัทธาสำคัญกว่าต้องมีศรัทธาในความเชื่อในคาสอน ไม่เชื่อแล้วท่านสอนให้ทําทานเราก็ไปสร้างพระพุทธรูปถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่สร้างเราก็ไม่ได้ทําทานงั้นต้องมีศรัทธาก่อนมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะทําให้เราสนใจที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าท่านจะสอนให้เราทําอะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าท่านสอนให้เราทําบุญสิประการอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้เราก็ทําบุญสิบประการนี้ไป แล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ประโยชน์สูงสุดก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนไหยตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้พวกเรายังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติถึงทำขั้นสูงสุดได้คือขั้นวิปัสสนาการพิจารณาที่รักษาตน อ๋อก็ก็ถามก่อนใช่ไว่าตัวเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ร่างกายหรือก็ <nea> คอยไปค้นหาดูในร่างกายว่าตัวเราอยู่ในร่างกายตรงไหนอยู่ที่ผมหรือหรืออยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันลองตัดผมทิ้งไปแล้วตัวเราหายไปหรือเปล่าตัดเล็บทิ้งไปแล้วเราหายไปหรือเปล่า ถอนฟันไปแล้วฟันหายไปหรือเปล่าเอาตายของคนอื่นมาใส่เราเรากลายเป็นคนอื่นไปแล้วหรือยังเนี่ยเรายังก็เป็นคนเดิมอยู่นั แ, แสดงว่าในาการสามสิบสองนี้ไม่มีตัวเราเลยอันนี้ก็จะทําลายความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแต่พวกก็ยังมีความคิดอยู่คิดว่าเป็นตัวเราอยู่ออก็หยุดความคิดดูสิแล้วดูสิว่าตัวเรามันหายไปไหม ก็นั่งสมาธิไปพอจิตรวมลงจิตหยุดคิดตัวตัวเราก็หายไปก็เราก็รู้ว่าตัวเราเกิดจากความคิดของเรานี่ตัวแท้จริงที่แท้จริงของเราก็คือตัวรู้เท่าน้ตัวรู้นี้พอไปคิดก็คิดว่าเป็นตัวเราขึ้นมาดั้นเราก็จะกลับไปสู่ตัวจริงของเราก็คือตัวรู้แล้วเราก็จะทำทำเป็นตัวรู้ไม่ได้ทำเป็นตัวเรา เช่นเวลาใครด่าเราก็รู้เฉยๆถ้าเป็นตัวเราก็ออกไปรับทันทีถึงด่ากูนี่ยวะถ้าเป็นตัวรู้ก็รู้เฉยๆ เ, เขาเขาด่าเอ้ยก็รับรู้ไปถ้าอยากจะอยากจะทําลายตัวเราก็ต้องอยู่กับที่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้ไงคุเจ้าสอนว่าได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยินเห็นอะไรให้สักแต่ว่าเห็นอย่าไปว่าเราเห็นเราเราได้ยินะ นี่ตัวหลงต้องบอกว่ามีการได้ยินมีการได้เห็นแต่ไม่มีผู้เห็นผู้ผู้ได้ยินเข้าใจไมไม่มีตัวเราไปเห็นไม่มีตัวเราไปได้ยินใครเขาด่าเราครเขาเรียกชื่อเราทำเป็นเฉยๆก็ได้เขาเรียกเราชื่อเราอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่ตรงไหนเราเป็นตัวรู้ก็รู้เฉยๆไปเทนั้ ต้องเข้าไปให้ถึงตัวรู้แล้วพยายามรักษาปัญญาสอนใจให้อยู่กับตัวรู้อย่างเดียวไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นก็ให้รู้เฉยๆร่างกายจะตายก็ให้รู้เฉยๆร่างกายจะเจ็บก็ให้รู้เฉยๆถ้ามีสมาธิมีสติมีปัญญามันจะทำใจให้เฉยได้สิ่งที่เราปฏิบัตินี่เราต้องการอุบเบกขาเนี่ยการทำให้ใจเฉยต่อใจเฉยแล้วมันก็จะรู้เฉย มันอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะเฉยเฉยมันไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงอันนี้เป็นวิธีทาลายอัตตาตัวตนก็ต้องสมถะภาวนาวิปัสนาภาวน า, วน า, า, วนาสองอย่างนี้เวลาทาใจให้สงบก็ตัวตัวเราก็หายไปชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดก็ตัวคิดว่าเป็นเราก็มาอวิชชาปัจจะยาสังขาราก็มาอวิชชาก็คือความหลงที่ว่า ว่าตัวรู้คือตัวเราไ ป, ไปคิดว่าตัวคิดนี้เป็นตัวเราก็าคิดว่าเป็นเราขึ้นมาความรู้สึกว่ามีเราอยู่มันมีอยู่แต่พอทําใจสงบความรู้สึกว่าเรานี้มันหายไปดังนั้นขั้นต้นก็ให้มันหายด้วยสมาธิพอออกจากสมาธิปอมันจะมาคิดว่าเป็นเราแล้วก็ตัดมันไปว่าไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นของเราทของทุกอย่างมันมาแล้วต้องไปหมดร่างกายนี้ เหลือมันก็ไปทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ความรู้สึกว่ายังมีเราอยู่ถึงแม้ไม่มีร่างกายก็ยังมีเราอยู่ความคิดยก็ต้องรู้ว่าเป็น เ, นเพียงความคิดเท่านั้นเองอย่าไปหลงตามความคิดแล้วมันก็ต้องใช้ปัญญาคอยสู้กันไปพอจะคิดว่าเป็นเราบอกให้ไม่ใช่เราเป็นผู้รู้เราเป็นตัวรู้เราให้รู้เฉยๆเท่านั้นเอง ใครจะด่าใครจะชมก็รู้เฉยๆถ้าดีใจก็แสดงว่าเอาตัวตัวเราไปรับละถ้าเสียใจก็เอาตัวเราไปรับลวถ้าเฉยๆก็แสดงว่าเอาตัวรู้ไปรับถ้าเอาตัวรู้ไปรับก็จะไม่ทุกข์ถ้าเอาตัวเราไปรับก็จะทุกข์เพราะเวลาใครชมดีใจเวลาเขาไม่ชมก็เสียใจเวลาใครด่าก Learning. ็เสียใจไม่พอใจแต่ถ้า เอาตัวรู้ไปรับเฉยๆรู้เฉยๆก็จะไม่ดีใจไม่เสียใจเขาด่าก็ด่าไปเขาชมก็ชมไปถ้ามันเริ่มลืงความเป็นตัวรู้จนปัญญาบันดึงกลับมาไม่ได้ก็ให้เข้าไปในสมาธิเล้ากลับไปกลับไปกลับมาเข้าๆออกๆ อ, อ, กอย่างนี้จนมันสามารถที่จะรู้ทันตลอดเวลารู้ทันความหลงตลอดเวลารู้ว่าความคิด เลืกว่าความคิดว่าเรานี้มันเป็นความหลงมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงคือไม่มีเรามีแต่ตัวรู้ก็ต่อสู้กันไปมเหมือนกับต่อสู้กับเวทนาทางกายใช่ตอนต้นก็ปล่อยทางกายไปก่อนตอนต้นไปติดที่ร่างกายว่าเป็นตัวเราก่อนก็ปล่อยร่างกายติดที่เวทนาว่าเราเจ็บความจริงความเจ็บไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความเจ็บแต่เวลาเจ็บเราจะไปคิดว่าเราเจ็บ ควจริงเราไม่ได้เจ็บเราเป็นผู้รู้ความเจ็บแต่เราไม่ชอบความเจ็บเราก็เลยไปทุกข์กับมั น, นไปอยากให้มันหายพออยากใ ห, ให้มันหายมันก็ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากถ้าใจเฉยเฉยู้เฉยเฉยมันจะไม่ทุกข์กับความเจ็บมันจะไม่ทุกข์กับความตายแล้วพอปล่อยร่างกายได้ปล่อยเวทนาได้มันก็มาอยู่ที่จิตมันก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ว่ายังมีตัวเราอยู่ ก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนเวลาใครเขาได้เขาว่าก็เฉยเฉอย่าไปตอบโต้อย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจก็จะก็จะทำลายตัวตัวตนที่ยังมีเหลือเหลืออยู่ในใจได้เมื่อกี้ทั่นสอนอยู่เมื่อกี้นะครับไอ้เรื่องตัวรู้เนี่ยนะครับไอ้คาว่าตัวรู้หมายถึงว่ารู้ว่าเขากำลังชมเรารู้ว่าเขากำลังตำหนิเราแต่ไม่ได้ปลุงต่อ อก็คือรู้รู้ตัวก็คือมีสตินั่แหละรู้แล้ ว, ลวก็จบพอจบตรงนั้นนะ อ, อ, อันนี้เรียกว่ารู้อยู่เช่นว่ารู้ว่าเราอะไรจะคิดพอรู้ปุ๊บเขาไม่ต้องคิด อ, อันนี้คือตัวรู้ใช่ไหมครับอตัวสติตัวสติตสตที่จะทําทให้เราเข้าสู่ตัวรู้เองอแล้วก็ทีนี้ที่ท่านที่ท่านอธิบายบนะ่อยนะออุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นผลเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ท่านสอนว่า เวลาใครก็ชมเราหรือเวลาใครเขาต้องหนีเราเนี่ยให้เรามีตัวรู้แล้วมีอุเบกขาทีนี่ไออุเบกขาที่ว่าเนี่มันจะเกิดจากคือมันจะเกิดจากผลที่เรานั่งสมาธิแล้วเอามาใช้หรือหรือมันเกิดยังไงกับ อ, อุเบกขาก็ต้องก็ต้องเข้าไปอุเบกขาก่อนพอมีอุเบกขาแล้วเราก็จะรู้วิธีว่าการเป็นอุเบกขาจริงๆนี่เป็นยังไงเราก็จะรเราก็จะรักษามันได้แล้วมันจะเข้าไปยังไงก็เข <K> ้าไปด้วยสติไง พุโทโธพุโทโธไปอานาปนาสตินั่งดูลมหายใจเข้าออกไปมันก็จะเข้าไปพอจะขาดใจตา ย, ตายก็ปล่อยมันขาดใจตายไปมันก็จะเข้าไปในอุเบกขาทันที อ, อันนี้ต้องปฏิบัติ<ช>สิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นง <c oughs> อนใจไหมที่นั่งสมาธิก็ให้ได้อุเบกขาอั น, นี้อันนี้ครับตอนนี้เราไม่มีอุเบกขา ถ้าเราเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับเราขับรถรู้แต่เกียร์สองเกียร์รู้แต่ไม่รู้แต่เกียร์เดินหน้ารู้แต่เกียร์ถอยหลังแต่เกียร์ว่างหาไม่เจอหาไม่เป็นเข้าเกียร์ที่ไรก็มักจะเข้าถ้าชอบอะไรก็เข้าเกียร์หน้าเดินเข้าหาเลยถ้าเกียรอะไรก็เข้าเกียร์ถอยหลังถอยเลยที่จะให้อยู่ว่างๆเฉยๆนี่ทําไม่เป็นที่เราต้องมามหัดขับรถใหม่ไงหัดมาหาเกียร์ว่างเได้ไงพระอาจารย์ว่ เราจะถึงอั ป, ปนาสมาธิก็รู้สิสันติโกจะไม่รู้ได้ไงก็รู้จากการปฏิบัติคนกินข้าวคุณจะรู้ว่าคุณอิ่มยังไงถ้าคนไม่กินกินぜกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อิ่มเองคุณก็จะรู้ว่าอิ่มเป็นยังไงถ้าคุณไม่เคยกินข้าวคุณก็จะไม่รู้ว่าความอิ่มมันเป็นยังไงกินไม่ได้คือให้นั่งสมาธิสมาธิแล้วรู้ให้จิตรวมเป็นสมาธิ จะรวมในท่าไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่<ม>ท่ารวมที่ง่ายที่สุดก็คือท่านั่งแต่จะรวมแบบอื่นก็ได้รวมแบบปัญญาก็คือเวลาไปเจ้าเอกับเสือก็ปล่อยร่างกายยอมตายไปจิตมันก็เข้าสู่สมาธิได้เหมือนกันแต่เข้าแบบวิปัสสนาเข้าแบบยอมตายนี่อันนี้ยากคือยากคือคาสอนนั้นคือมัน ฟังแล้วเข้าใจแต่ว่าพภาวนาสมาธิหมายา็ว่าให้นั่งสมาธิไปแล้วก็ค่อยๆไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นให้อยุดกลารคิดมันหยู่แบบให้จิตอยู่กับมเดียวเดียวออแล้วทีนี้เวลามันจะถึงแล้วเราจะรู้ได้ไงก็มันวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเ้วไงแล้วก็นิ่งแล้วก็สงบแล้วก็รู้ละอ้อนี่แหละมันจะร้องอ๋อเองพอไปเจอแล้วมันก็จะร้องอ๋อเองมันคนกินข้าวนะ พอกินอิ่มแล้วก็รู้ว่าอ๋ออิ่มเป็นอย่างนี้แล้วนานมักนก็จะนั่งถึงงะก็อยู่สติของเราไงบางคนห้านาทีก็ถึงแล้วบ <c oughs> างคนเริ่มนั่งครั้งแรกก็จิตก็กรวมละ <c oughs> ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นผู้หญิงเป็นชื่อคุณแม่แก้วเป็นแม่ชีตอนนั้นยังเป็นเด็กสาวอยู่มืออายุสิบกว่าขวบแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็ไปทุดงที่หมู่บ้านก็ไปโปรด เด็กก็เากลับข้าวไปถวายเด็ ก, ก็ถามว่าภาวนาเป็นยังไงหลวงปู่ก็บอกพุโทโธพุโทโธไปเลยแกก็เลยกลับไปลองที่บ้านตอนคืนนั่งหลับนั่งปั๊บก็พุโทโธพุโทโธแกบอกห้ามเลยทีปับ๊บแกคิดว่าแกเหมือนกับว่าแกหลับฝันไปแล้วก็มีนิมิตต่างๆเลยเกิดขึ้นมาไปเล่าให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่ว่าไม่ได้หลับนี่เป็นนิมิต แต่ว่ามันสมาธิที่ยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะไปคืออุเบกขามันมันรวมแล้วมันไม่อยู่นิ่งมันออกไปรู้นิมิตต่างๆอุเบกขาเลยฮะไม่มีท่านก็ต้องสอนว่ า, าต้องเข้าไปสู่อุเบกขาต้องละนิมิตต่างๆถึงจะเข้าไปสู่อุเบกขาได้แต่รวมได้เพราะแกะสติดีแกพอให้พูดโทรอยู่แกก็พูดโทรอย่างเดียว5นาทีไม่ไปคิดอะไรเลยจิต ก, ก็รวมเข้าไป ดังคนบางคนเขามีบารมีมาเยอะเขาเคยสร้างสติบารมีมาเยอะเคยฝึกสติมาเยอะมีสติสัมปชัญญะใจไม่ค่อยลอยไปลอยมาไม่พุ่งสร้างไม่ปรุงแต่งพอให้อยู่กับสมาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็อยู่ไม่ไปไหนพออยู่ได้อย่างต่อเนื่องสัก5นาทีมันก็เข้าสู่ความสงบได้แ ล, แล้วผลมันก็คืออุมเมาก็คือเป็นผลของ อัปปนาสมาธิก็เป็นใช่จะว่าเป็นผลก็ได้จะเป็นเป็นผลคือที่เกิดขึ้นจากการจเจริญอานาปนานสติหรือพุทธานุสติเนี่ยจากการนั่งสมาธิจิตรวมก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิถ้ารวมสั้นๆก็เรียกว่าคณิกาสมาธิถ้ารวมยาวๆก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ถารวมแล้วไม่อยู่กับที่ออกไปรับรู้นิมิตต่างๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้ไม่ดีเพราะว่าอุเบกขามันหายไปพอไปรับรู้ไปรับรู้นิมิตต่างๆก็เกิดความดีใจเสียใ จ, จยขึ้นมาเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาฉะนั้นคนที่ฝึกัดปฏิบัติเพื่ออุเบกขาจะต้องต้องดึงใจไว้เวลามันจะออกไปหานิมิตต่างๆใช้สติดึงกลับเข้ามา หนึ่งให้กลับเข้ามาให้รู้เฉยๆอย่าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วสมาธิตัวนี้เวลาทํามันอยู่นานไหมครับหลวงพ่อ<ม>ก็ถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันก็นานอยู่ที่กำลังสติต้อ ง, อง <S <S ลองไปฝึกดูก็ลองไปบวชลองไปบวชดูถึงจะได้ะมันยากถ้าวนะคะออ ค, คือปกติดดนั่งสมาธิค่ะบางครั้งมัน มันก็สาวว่าจิตมันสงบพอสงบแล้วมันจะไม่รับรู้ทางกายและจิตเลยแล้วก็ค่ะมันไม่ไม่ไน่ใชจว่าหลับหรือว่ามันเข้าสมาธิถ้ามันไม่มีความมหัศารัจจใจก็คงจะหลับเนี่ยไม่หลับแล้วพอพอรู้สึกตัวพอจิตมันรู้สึกตัวเป็นนักสาว่าก็ตื่นไงรู้สึกตัวก็ตื่นไงไม่ใช่หนูงอนนะคะมันจะไม่ยังไงก็พูดอย่างชัดๆอย่างนี้มาชี้พอแล้วมันจะมีแสง นั่นแหละมันมันไม่ใด้เป็นสมาธิหรอกถ้ามันมีนสมาธิมันจะอออร้องอ๋อือออ๋อดีเหลือเกินเนอะสุขเนาะก็มันก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งเหงมือนกันแต่ไม่ใช่นิมิตแบบอุปจาระนิ <c oughs> มิตแบบอุปจาระก็ <c oughs> คือเห็นเทพเห็นเห็นผี <c oughs> เห็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแสดงว่าอย่างนั้นคือเปการหลับไปเป็น ก็ถ้าไม่รู้ไม่รู้อะไรก็หลับหรืออาจจะหลับหลับตื่นตื่นก็ได้เครื่องหลับขครน่งตื่นนี่ถ้าเป็นสมาธิมันจะตื่นตลอดเวลาแล้วมันจะตื่นตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นแบบนิ่งไม่ให้ตื่นเต้นแบบแบบฟุ้งตื่นเต้นแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจโอ้ความสงบเป็นอย่างนี้เองเนาะมันต้องเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะ อยากจะได้ความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่ก็อยากถ้ามีแฟนก็ขออย่าไปเลยขอไปบวชถ้าอย่างนี้ยังไม่ใช่หรอกถ้ายัางติดอยู่กับแฟนอยู่ก็ยังไม่ใช่นะ อ, อ, อ อ, <Okay. S 1> อ, อถ้าเป็นสมาธิจริงแล้วส่วนใหญ่จะออกบวชกันทั้งนั้นนะ mm hmm. เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบ พระพุทธเจ้าก็เคยได้ตอนที่เป็นเด็กตอนที่เป็นเด็กอายุสิบขวบมั้งพอดีวันนั้นไม่มีใครมาห้อมล้อมข้าวราดบริพานไปทำภารกิจอย่างอื่นปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ใต้โคนไม้คนเดียวพอรอบตัวท่านไม่มีใครจิตที่เคยรวมมันก็รวมเลยจิตก็สงบมีความสุขมากแต่พอคนรอบชายกลับมาก็มา ลบกวนความสงบนี้หายไปตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กอยู่ท่านยังไม่รู้อะไรอะพอท่านโตแล้วท่านจำคิดถึงความสุขอันนี้ได้จึงทำให้ก้าท่านกล้าออกบวชได้คนเราถ้าไม่ได้พบความสุข น, นี้ไม่กล้าไม่กล้าบวชกันหรอกเพราะไม่รู้ว่าถอดบวชแล้วจะได้อะไรหพ่าทํทำยากนหมครับที่เดี่ยวฟังดูรู้ <c oughs> สึกฟังฟังดู <c oughs> ก็ถามคนที่เข้าได้เหรียญทองโอลิมปิกไอโอ้อ oh, oh, oh. ทําไมเข้าได้ทําไมเราไม่ได้ oh, oh. ใช่ไหมอ oh, oh. มันก็อยู่ที่ความพยายามทุกคนคนถามคนถามเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งทำไ ม, มน้อสอบได้ที่หนึ่งวะทำไมกูไม่ได้สอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมมันก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนถ้ามีความสามารถก็ได้ถ้าไม่มีก็พยายามสร้างความสามารถนี้ขึ้นมาได้ เขาเจาถึงบอกว่าบางคนก็บรรลุเดเดือนเจ็ดวันก็ได้บางคนก็เจเดือนบางคนก็เจปีเพราะความสามารถไม่เท่ากันพยายามแต่ถ้าแต่มีทางให้เดินแล้วมีวิธีแล้วก็พยายามทาตามวิธีที่เขาบอกให้ทํามันก็จะช้าหรือเร็วเท้งนั้นเองแต่ต้องทาแบบเต็มรูปแบบทําแบบมืออาชีพไม่มีอาชีพอย่างอื่น แต่ยังต้องไปทำอาหากินยังต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปอะไรอย่างนี้มันไม่มีเวลามาทำได้อย่างเต็มที่ต้องทำแบบเต่าอย่าไปทำแบบกระต่ายเต่ามันทำไ้ทุกวันทำไ้ทุกวันกระต่ายวันไหนอยากจะทำก็ทำวันไหนไม่อยากจะทำก็ไม่ทำออย่างนี้มันก็ไปไม่ถึ ง, งที่เข้าใจนะอนุญาตฐามนะเจ้าค่ะ อย่างเวลาถ้าเราปรีิเวยเป๊ีดีๆเนี่ยบางครั้งอยู่ๆก็จะปรากฏเหมือนมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะเป็นเหมือนลาบอะไรแห้งๆเป็นกระดูกเป็นอะไรหรือบางครั้งก็จะเห็นเหมือนเป็นตัวหนอนก็ให้รู้เฉยๆมันก็เป็นภาพที่ที่จิตสร้างขึ้นมาให้เรารับรู้แล้วก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังก็พอ กิแล้วเดี๋ยวก็ดับไปใช่ไหม <Okay. S 1> อานันตาก็คือเราสั่งมันไม่ได้ใช่ไหมสั่งให้มันอยู่สั่งให้มันไปไม่ได้เมื่อเราทําอะไรกับมันไม่ได้ก็ให้รู้เฉยๆไป <Okay. S 1> อถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อการกําจัดตัญหาความอยากก็อามาใช้เ <Okay. S 1> ช่นถ้าเห็นอสุภะเห็นร่างกายเป็นซากศพโดยเฉพาะร่างกายของคนที่เราหลงรักข้างใครซึ่งอยากจะเป็นของตัวเองอ ของตัวเองก็กจะก็จะทําให้เราปรงไว้ว่าต่อไปร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะต่อไปร่างกายนี้เวลาไม่มีลมหายใจแล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ก็เตรียมตัวรับกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นเอามาเตือนใจต่อไม่ใช่เห็นใจเฉพาะนั้นแล้วพอออกมาก็ลืมมันไปอันไหนที่มีประโยชน์ก็เอามาเจริญต่ อ, อามาพิจารณาอุ ป, ปนาอิโกเข า, าเรียกอะไพิจารณาอย่าง อย่างแยบคายก็คือให้ให้เราเล็กรู้อยู่ได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับร่างกายนี้ว่าอนาคตของร่างกายนี้ก็คือเนี้ยเป็นอย่างนี้เป็นซากศพที่ใครไปเยี่ยมป่าชา้าหรือให้ไปเยี่ยมสุสานไปเยี่ยมเมนช่วยเราจะได้เห็นอนาคตของร่างกายเราไงถ้าบางทีไม่ไปมันมันมันไม่มันไม่เห็นอ่ะถ้าเราไปไปไปช่วยเขาเก็บกระดูกเงี้ยเก็บกระดูกศพที่เขาเผาแล้ว เอาเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ไปเก็บกระดูกกันแล้วก็มานั่งเปรียบเทียบดูอ๋อเนี่ยคนเนี่ยที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ตอนนี้กลายเป็นอย่างนี้แล้วนะต่อไปเรามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันให้คิดอยู่เรื่อยๆมันจะได้เป็นมรณานุสติมันจะได้เป็นการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปในตัวแล้วมันต่อไปมันก็จะได้ไม่ฝืนความจริงถ้าร่างกายจะตายก็ไปเลยเพราะรู้ว่ามันห้ามมันไม่ได้ ถ้าเราปล่อยมันให้มันตายได้เราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ยอมให้มันตายเราจะทุกข์เราจะดิ้นพยายามจะหาวิธีต่างๆที่จะยับยั้งมันใจก็จะเครียดตลอดเวลาทุกข์ตลอดเวลาถ้ายับยั้งได้ก็ยับยั้งได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นใหม่ในที่สุดก็ยับยั้งไม่ได้อยู่ดีเ็นทางที่ดีก็คืออย่าไปฝืนมัน แต่ถ้ารักษาได้ยังรักษาได้ก็รักษาไปแ ต, แต่ใจก็ต้องเป็นกลางเฉยๆหายก็หายไม่หายก็ชั่งมันสักแต่ว่ารู้ไปใจก็จะน่ไม่เครียดถ้าใจสักแต่ว่ารู้ใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าใจออกจากอุเบกขาไปปั๊บนี่มันจะทุกข์ทันที <c oughs> เป็นโลกเซลฟี่แล้วสมัยใหม่เนโลกใหมลออกม หรือไหนก็ดูถ่ายไปกี่พันรูปแล้วทำไมแหม่นี่มีรูปใหม่ๆเยอะะแล้วนี่จะทำบุญทีถ่ายรูปก่อนนะถ่ายสองใบเพื่อนดูก่อนนะจะได้อนุโมทนาบุญ ใครจะอยู่ต่อก็ได้นะใครจะมีเท่าต้องกลับก็กลับได้ยังมีภาคสองภาคฐานตอบปัญหามีทางบ้านกำลังรอส่งคำถามเข้ามาอยู่เยอะเลคตนน้องเลือกเข้าไปนี้อาจารย์ครับเมื่อเมื่อวานได้สอนทนาธรรมกับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีความตั้งใจจะปฏิบัติมากแต่ว่ายังไม่มีความศรัทธาใน พระพุทธเจ้าเท่าไหรผมก็บอกว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนเลยว่าอย่าพึ่งเชื่ออะไรจนกว่าจะได้ะจะได้เห็นด้วยตัวเองก็อยากให้พระอาจารย์อ่านก็นยังไหมว่าคว<น>ร<ส>ทำไมต้องเคารพพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครท่านทําอะไรท่านมีความสามารถอย่างไรแล้วพอเราได้รู้ได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้ เกิดศรัทธาความเชื่อก็เหมือนกับนักการเมืองหาเสียงเนี่ยเขาก็ต้องไปสร้างศรัทธาให้กับชาวบ้านเขาก็ต้องไปประกาศให้ชาวบ้านรู้จักว่าข้าพเจ้าคือใครข้าพเจ้าจะมาทําอะไรให้แก่ท่านใช่ไหมพอเขาไปหาเสียงแล้วชาวบ้านได้ยินได้ฟังได้รู้จักเขาว่าเป็นใครจะมาทําอะไรให้ชาวบ้านก็เกิดศรัทธาใช่ไหมถึงเวลาก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งให้กับเขา แต่างเพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นคนหาเสียงเราต้องเป็นคนไปศึกษาท่านเพราะว่าท่านไม่ได้มาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราท่านมาช่วยเราถ้าเราอยากจะรู้ว่าท่านช่วยเราได้อย่างไรเราก็ต้องไปศึกษาดูว่าสิ่งที่ท่านสอนเรานี่จะเป็นประโยชน์กับเราได้อย่างไรดังนั้นการที่จะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ต้องอยู่ที่การศึกษา พ, พระประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระประวัติของพระอริยสงสาวกต่างๆแล้วพอเราได้ศึกษาแล้วถึงจะเข้าใจว่าทำไมพระรูปนี้คนจึงมีความเคารพนับถือมีความศรัทธาพระรูปนี้ทำไมไม่มีใครเคารพนับถือไม่ศรัทธาเพราะว่าการเป็นพระไม่ได้ทำให้ทุกคนเหมือนกันด้วยการโกนศีรษะเรือห่มผ้าเหลืองอยู่ที่การปฏิบัติทางกายวาจาใจ ของแต่ละรูปว่าท่านปฏิบัติอย่างไรอันนี้ต้องศึกษาถ้าศึกษาแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้ามากเราจะเคารพพระพุทธเจ้ามากเพราะไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเอกบุุษจริงๆเอกบุตรรุตแท้เป็นหนึ่งในหนึ่งในตายภพเลยก็ได้คนอย่างพระพุทธเจ้านี้หายากมากท่านเก่งมาก ท่านสามารถทําในสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถทําได้และสามารถช่วยคนอื่นที่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถช่วยได้ถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้านี้เราปิดไอ้เรื่องการการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยไม่มีวันที่จะยุติจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาแล้วนี้มีโอกาสแล้วมีทางแล้ว ถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนเราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเรายังไม่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอาจจะไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเรายังอยากจะอยากกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เป็นสำหรับเราสำหรับเรามันต้องเป็นราบยศเสริญสุขเราก็จะไปหาสิ่งเหล่านั้นแทนไปหาเงินหาทองไปหายศหาอะไรเหมือนคนที่ ทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี้กิดนในเมืองพุทธแท้แต่จะเข้าวัฒหาธรรมนี้มีสักกี่คนวนหย่ายจะไปหาราบยศสารสสุ่กันสียมากกว่าเพราะไม่รู้ประโยชน์ของการที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาเพราะกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาเกิดกันเพราะยังติดความสุขจากการมาเกิดอยู่แต่ไม่เห็นโทษของการที่มาเกิด จะมาเห็นก็สายไปซะแล้วเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายตอนนั้นก็มีแต่ความทุกข์ทรมานอ่าก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้เพราะว่าคนที่ไม่ฉลาดนี้จะไม่ยอมมองความแก่ความเจ็บความตายจะไม่คิดถึงมันแจะคิดแต่การหาความสุขทางร่างกายคิดแต่หาเงินหาทองหาอะไรต่างๆก็เลยไม่มีเวลามาคิดว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็เลยคิดว่าการมาเกิดดีใช่ไหมมาเกิดแล้วจะได้หาเงินหาทองหาความสุขต่างๆอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรก็กินได้ดื่มได้ถ้ามีเงินสักอย่า ง, งทุกคนก็เลยทุ่มเทเวลาชีวิต จ, จิตใ จ, จกับการหาเงินพอนได้เงินมาก็มาซื้อความสุขต่างๆอยากจะซื้อรถเบนซ์ก็ซื้อได้อยากจะซื้อคอนโดก็ซื้อได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ก็คิดว่าการมาเกิดนี้มันดีตายมีแต่ความสุข เรื่องอะไรจะมาสอนให้เร า, เาไม่กลับมาเกิดทําไมนะตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะสอนนะตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆเนี่ยท่านบอกว่าเออมาสอนคนพวกนี้มันไม่ยอมฟังเราหรอกมันไม่อยากมันอยากจะกลับมาเกิดกันทั้งนั้ น, นมันอยากจะมาหาความสุขทางร่างกายกันเพราะว่ามันไม่มองถงอยมมันมองไม่เห็นความทุกข์ของร่างกายเนี่ ย, ยเวลาพระพุทธเจ้าแสดงทำข้อแรกท่านเลยแสดงทุกข์ให้เห็นก่อนเลย ทุกก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ่าจากกันนะครับอันนี้แหละเป็นตัวที่กิเลสไม่ชอบตัวที่ความหลงไม่ชอบไม่ยอมคิดกันพอมาฟังธรรมข้างแรกก็กลับไปไม่กลับมาเลยพวกที่ฟังแล้วมาฟังแต่เรื่องแก่เจ็บตายกูไม่เอาแะ้ไม่รู้ว่ากําลังชี้ให้เห็นปัญหาของเรากลับไปคิดว่าเป็นการ มองโล่ในแง่ร้ายไปสิหาว่าศาสนาพุทธนี้สอนแต่เรื่องไม่ดีเรื่องดีๆไม่สอนสอนแต่เรื่องแก่เจ็บตายสอนแต่เรื่องการพัดภาคจากกันถ้าคนมีความหลงจะไม่ชอบจะไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนเพราะมันขัดกับความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขาคิดว่าการมาเกิดนี้ดีเกิดแล้วจะได้มีร่างกายจะได้ไปหาเงินหาทอง หาความสุขหาอะไรต่างๆได้แต่พระเจ้าในเบื้องต้นก็เลยไม่อยากจะสอนสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะว่ามันเขารับไม่ได้ความจริงอันนี้แต่ต่อมาท่านก็มีเวลาได้วิเคราะห์่คนมันก็มีหลายชนิดนะไม่ใช่มีแต่พวกที่จะปฏิเสธอย่างเดียวพวกที่มีความรู้มีความฉลาดที่เห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ก็พวกนักบวชนี้ พวกนักบวชนี่เขาเห็นความแก่ความเจ็บความตายเขาถึงยอมสละความสุขทางร่างกายเพื่อจะได้ไปหาวิธีที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านก็เลยมุ่งไปสอนผลพวกนี้ก่อนช่วงแรกๆนี่สอนแต่นักบวชอย่างเดียวแล้วก็ได้ผลเร็วมากเพราะพวกนี้เขามี ม, มีมีปัญญามีภาชนะรองรับธรรมของพระเจ้าอยู่แล้วมีศีลมีสมาธิอยู่แล้วเพียงแต่ขาดปัญญา ไม่รู้สาเหตุของการเกิดว่ามาจากอะไรพระเจ้าบอกสาเหตุของการเกิดก็มาจากความอยากนี่แหละพอตัดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ทีละห้าร้อยลูปเวลาไปแสดงธรรมในสำนักหนึ่งมีพระอยู่ห้าร้อยลูกพอแสดงเรื่องอริยสัจสี่นี้ก็ฟังเนยเขาเข้าใจเขาก็ตัดความอยากกันได้หมดก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ทันทีเลยเมื่อต้นท่านก็เลยมุ่งไปสอนพวกนักบวชกัน พวกนักบวชนี่ก็เป็นเหมือนน้ำกะทิน้ำแรกเนี่ยเข้มข้นใช่ไหมเวลาเราบีบน้ำกะทินี่แล้วเอาน้ำต้นเนีน่ยน้ำสองน้ำสองเนี่ยไม่เอาแล้วทิ้งไปล้วมันมันจางมากมีแต่น้ำเนื้อน้อยดัง น, น, นั้นตอนต้นท่านก็สอนพวกนักบวชก่อนพอสอนนักบวชบรรลุไ ป, ปหมดแล้วนี่นักบวชก็มาช่วยสอนที่ยังไม่บวชกันพวกที่พวกที่ยังเชื่อศีลเชื่อล็อกเชื่อสวรรค์อยู่ พวกที่ยังเข้าขาวัดไปทำบุญทาทานไปฝึกนั่งสมาธิอยู่ก็สอนพวกนี้ก่อนส่วนพวกที่ยังไม่เข้าวัดไม่นั่งสมาธิก็สอนขั้นต่อมาพวกที่ทำบุญอย่างเดียวแต่ยังไม่อยากจะนั่งสมาธิก็เป็นขั้นที่3และขั้นที่สก็พวกที่ไม่เข้าวัดก็ไม่ต้องไปสอนมันมันอยากจะไปหาลาดยศสารเสาก็ให้มันไปมันไปคนละทางละเดินกันไม่กลับ ดึงมาไม่ได้พวกนี้เขาไม่มาอยู่ดีดึงยังไงเขาก็ไม่มาก็ต้องตัดทิ้งไปบุคคลสี่จำพวกเลื้อบัวสีเหล่าก็เป็นแบบนี้งั้นเรื่องของศรัทธานี้สำคัญถ้าไม่มีศรัทธาก็ถือว่าปิดกั้นทางที่จะไปสู่พระนิพพานไปสู่การยุติของการเวียนว่าตายเกิดต้องมีศรัทธา พอมีศรัทธาแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามคําสอนได้พอปฏิบัติตามคําสอนก็จะได้เห็นผลพ o เห็นผลนก็จะเกิดศรัทธามากขึ้นไปเองล่ะทีนี้ที น, นี้ไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องเชื่อแล้วมันไม่ต้องบังคับให้เชื่อแล้วมันเชื่อเหมือนกับว่าทํางานแล้วมันได้เงินเดือนนะพอได้เงินเดือนแล้วไม่สงสัยแล้วไปทํางานบริษัทนี้จะได้เงินเดือนหรือเปล่าแต่ถ้าไปทําแล้วเขาบอกยังไม่ให้เงินเดือนนะต้องดูความสามารถไปก่อนทดลองไปก่อน ทำไปก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจ้างเราหรือเปล่าบางทีมันก็ไม่มีกําลังที่จะทําล้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามแล้วได้ผลแล้วเทนี้ไม่ต้องบังคับแล้วพอเห็นผลแล้วเทนี้มันจะมีฉันทะวิริยะขึ้นมาเองฉันทะคือความยินดีที่จะปฏิบัติตามคําสอนวิริยะก็คือความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติจิตตะก็คือใจก็แน่วแน่ อยู่กับคำสอนอย่างเดียวอยู่กับการปฏิบัติอย่างเดียวไม่ไปทำอย่างอื่นนะจิตตะใจจดจ่ออยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมวีมังสาก็คิดแต่เรื่องปฏิบัติธรรมจิตมันจะไม่ไปคิดเรื่องเที่ยวไปหาไปหาความสุขทางร่างกายไม่คิดถึงเรื่องการไปหาเงินหาทองนะมันจะคิดอยู่กับเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวถ้ามีจิตตะมีฉันทะวิรยิยะจิตตะวีมังสาแล้วเดี๋ยวก็บรรลอ ก, กันนะ อันนี้ะเป็นตัวพลังขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่ความสำเร็จท่าเนเรียกว่าอิทธิบาสีอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จบาทก็คือทางทางสู่ความสำเร็จทางสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมถ้ามีอิทธิบาสีแล้วย่อมได้รับผลอย่างแน่านอานอยากจะได้เหรียญทองถ้ามีความยินดีที่จะซ้อมที่จ ะ, ะเล่นกีฬาของตน มีความขยันไปซ้อมอยู่ทุกวันจิตใจไม่คิดถึงเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องซ้อมเรื่องกีฬาอย่างเดียวคิดก็คิดแต่เรื่องกีฬาไม่ไปทาอย่างอื่นมันก็เดี๋ยวก็ได้เหรียญทองพวกที่เขาได้เหรียญทองพวกเขาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานชิ้นเดียวเท่านั้นเองเขาไม่ทำงานอย่างอื่นแล้วคนที่อยากจะร่ำรวยก็ทุ่มเทชีวิตกับการหาเงินอย่างเดียวเขาก็รวยขึ้นมาได้ เที่ยวก็ไม่เที่ยวหาเงินได้เท่าไหร่ก็เอามาลงทุนขยายกิจการไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ร่ำรวยขึ้นมาเองแอ้พวกที่ชอบหลายใจนี่ลำบากหาเงินมาได้เท่าไหร่ปั๊บก็ไปเที่ยวแล้วมีมีเงินก็ขอหยุดงานก่อนใช้เงินให้หมดก่อนแล้วก็ไปทํางานใหม่อย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่จะรวยได้ดังนั้นจิตใจต้องทุ่มเทให้กับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะได้ถ้าไม่ทุ่มเทจะไม่ได้ คนอยากจะเรียนจบด็อกเตอร์ก็ทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเดียวไม่สนใจกับการไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนฝูงอะไรมีเวลาก็เข้าห้องสมุดมีเวลาก็เปิดหนังสืออ่านในเวลาก็ทําการบ้านมันก็เรียนไปได้เรื่อยๆเรียนจนจบได้จะถึงขั้นไหนก็ไปได้นั้นต้องมีการทุ่มเทต้องมีอิธิบาทสีอิทธิบาทสี่ก็คือความทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับภารกิจการงาน ที่จะยังให้เกิดผลที่เราต้องการทางธรรมทางโลกก็ใช้อิธิบาสีเหมือนกันยันถ้าเราอยากจะก้าวหน้าในทางธรรมเราก็ต้องมีศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วเราก็จะปฏิบัติตามพอเราปฏิบัติตามพอเห็นผลแล้วเราก็จะได้อิธิบาสีขึ้นมาพอมีเห็นผลปั๊บแล้วทีนี้มันไปแล้วเหมือนเราได้ดูหนังตัวอย่าง ถ้าเห็นหนังตัวอย่างแล้วเดี๋ยวหนังจริงออกมาก็อยากจะดูล้อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราปฏิบัติแล้วได้รับผลครั้งแรกนี้มันเป็นเหมือนกับการได้ได้เห็นหนังตัวอย่างพอรู้แล้วว่าผลจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนต้นนี้มันเป็นแค่แป๊บเดียวเงบแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาเขาเรียก ว, ว่าคันนิกะนี่คะคันนิกะนียเป็นหนังตัวอย่าง ตัวอย่างของความสงบของความสุขที่ได้จะได้รับจากความสงบพอมีอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะไม่อยากได้อะไรเลยเคยทำกิจกรรมอย่างอื่นเลิกทาหมดเคยเที่ยวเคยดื่มเคยรับประทานอะไรเคยไปคบไปไปหาเพื่อนฝูงไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆถอนออกมาหมดอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะภาวนาอยากจะเริศอยากจะเจริญสติทำใจให้สงบ พอใจสงบก็รู้ว่าต้องใช้ปัญญารักษาอีกขั้นหนึ่งพอออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวความอยากมาไปทําตามความอยากความสงบก็หายไปต้องฝืนความอยากเวลาออกมาจากความสงบต้องฝืนถ้าไม่ฝืนก็เดี๋ยวมันก็ดากลา ก, ลากเราไปพอลากเราไปก็ไปยาวเลยพอเพื่อนมาชวนก็ไปเที่ยวเลยเที่ยวเที่ยวแล้วเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาชวนตามมีนั่งอื่นมาชวนไปเรื่อย จนกว่าจะเบื่อแนละ้วถึงจะกลับมานั่งสมาธิใหม่อันนี้มันก็ไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาพอความอยากจะมาหลอกให้ไปหาความสุขทางด้านไหนไม่ไปอะเป็นสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องเบื่อแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์พอไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำไม่ได้ทำก็ทุกข์อยู่แล้วได้สิ่งที่เรารักมาแล้วพอเสียสิ่งที่เรารักไปก็ทุกข์อีกแล้วไม่ไปดีกว่า ฝืนความอยากดีกว่ากลับไปนั่งสมาธิดีกว่าพอนั่งสมาธิได้จิตสงบความอยากก็หายไปทำยานี้เรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามันก็จะไม่สามารถที่จะฉุดลากให้เราออกจากความสงบได้เราก็จะอยู่ความสงบไปตลอดเวลาอันนี้เกิดจากศรัทธาถ้ายังไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ต้องศึกษาพระพุทธประวัติ เนี่ยสมัยนี้ก็มีหนังเป็นตอนให้ดูเลยเป็นซีรีส์เลยไม่ใช่หรเพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้อันนี้เขาก็มีแผ่นเป็นแผ่นดีวีดีอะไรไปเปิดดูด้วยพุทธประวัติของพุทธเจ้าเนี่ยบางคนดูแล้วบอกว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยเชื่อก็ต้องเชื่อไม่เคยเข้ารบก็ต้องเข้าลบาะเป็นเป็นสิ่งที่หายากเป็นบุคคลที่หายากมากอ่าําถานทางบ้านเนื่น มีกี่คนนะเนี่ยเดี๋ยวถามเหลือกี่คนนะตอนนี้เหลือ270ค่ะสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดก็300กว่า300กว่ามีเข้าประมาณ60คนครับอาจารย์60กว่าแล้วนะเขึ่ น, ข, นขึ้นมาเยอะนะเรื่อยๆเขาบอกว่าชัดดีครับจะดูดเออติดตามทางบ้านได้นะถ้ามาที่นี่ไม่ได้ก็มีสดถ้าคนถ่ายทอดมาถ่ายถ้าไม่มาก็ไม่มีอันนี้ต้องประกาศไว้ก่อนไม่ใช่โทษของเราเนี่ย วันไหนไม่มีถ่ายทอสดสดจะมาว่าทำไมไม่ถ่ายทอสดสดเราไม่มีหน้าที่ถ่ายนะเรามีหน้าที่แสดงอย่างเดียวครับคำถามจากทาง Facebook live นะครับคำถามแรกจากคุณวันดีนะครับการพิจารณาเห็นถึงซึ่งความทุกข์อย่างเช่นเมื่อวานไปงานศพมาพิจารณาเห็นซึ่งความตายใจหนึ่งก็อยากออกหววแต่ยังทำไม่ได้จึงอยากถามพระอาจารย์ว่าการตัดกิเลศ จำเป็นต้องหมอกกายถวายชีวิตในการปฏิบัติใช่ไหมครับถึงจะดักพิเรยได้คือมันยังไม่เห็นความตายตลอดเวลาเนี่ยถ้ามันเห็นความตายตลอดเวลานี่มันจะตัดได้มันเห็นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วก็ไปคิดถึงความเป็นพอไปอยู่กับความเป็นมันก็เลยเสียดายแต่ถ้ามันเห็นเป็นความตายมันก็จะไม่เสียดายดงั้นพระเจ้าถึงสอนพระอานุนบอกให้เราเลิกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกมองใครก็เห็นว่าาตาย มันก็จะได้ไม่มีความผูกพันกันพอยังเห็นว่าเขาเป็นอยู่มันก็มีความผูกพันกันพอเห็นลูกก็คิดว่าเขาเป็นก็ยังจะผูกพันกับเขาอยู่พอเห็นลูกตายเห็นเมียตายเห็นแม่ตายเห็นพ่อตายเห็นใครตายหมดนี้มันก็จะตัดความผูกพันได้แล้วมันก็จะไปบวชได้เห็นต้องระลึกถึงความตายให้มากขึ้นตอนที่เราไปงานศพนี้เป็นการไปดูหนังตัวอย่างเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เราก็จะไม่คิดถึงมันเลย เรธรรมชาติของความหลงมันจะปิดกั้นไม่ยอมให้เรามองความแก่ความเจ็บความตายเราก็เลยไม่คิดว่าเราจะแก่จะเจ็บจะตายแต่พอเราไปงานศพนี่มันเหมือนกับไปเปิดเอาม่านที่ปิดตาเราออกเอาความหลงออกไปทำให้เราเห็นความจริงอ๋อนี่เราต้องตายนี่ยว่าพ่อแม่พี่น้องเราก็ต้องตายเนี่ยอย่างเราเนี่ยตอนที่เป็นเด็กอายุสักสิสองขวบเนี่ยก็มีเพื่อนนักเรียนจมน้ำตายแล้วเราก็ไปงานศพเขา นี่เขาเป็นชาวคริสศพเขาก็เปิดให้ดูเปิดฟ้าโรงให้ดูแล้วก็ไปดูศพเขาแล้วก็คิดเลยว่าอ๋อมันก็ตายเลยเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่เราก็ตายเดี๋ยวปู่ย่าตายายก็ตายพี่น้องญาติสนิทมิตรสายตายหมดมันคิดของมันไปเรื่อยๆแต่มันไม่มันไม่เศร้ามันไม่กลัวนะมันคิดไปด้วยปัญญาคิดไปตามความเป็นจริงมันก็ทําให้มีสติ ไม่ประมาทมีไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ตอนนั้นมันยังเด็กมันยังทําอะไรเองไม่ได้มันก็ต้องทําไปตามขั้นตอนของชีวิตเขาให้เรียนหนังสือก็เรียนไปแต่พอเรียนจบมาหาอะไรแล้วทีนี้มันเริ่มอยากจะไปหาทางของมันแล้วมันรู้ว่าไปทางนี้มันก็ไปสู่ความตายเท่านั้นจะไปทับจะไปได้อะไรไปทํางานไปได้ครอบครัวไปได้ลูกได้เมียได้ตําแหน่งได้อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ตาย มันไม่ได้มีความพิศวาสกับเรื่องราวเหล่านี้เลยเรื่องราบยุติธรรมริญสุขไม่ได้มีพิจารณาพิศวาสกับมันเลยแต่มันยังหาทางไปไม่ได้เลยมันรู้ไปยังไงจนวันดีวันดีวันดีคืนดีวันหนึ่งได้หนังสือธรรมะมาอ่านเล่มหนึ่งมันก็เลยเห็นทางเลยเห็นคําสอนพระเจ้าพระเจ้าสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราต้องปล่อยวางวิธีปล่อยวางก็ต้องปฏิบัติทำ ต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาวก็เลยทําตามทานไม่ได้ทำเพราะไม่มีเงินจะทําก็รักษาศีลภาวนาไปเลยพอรักษาศีลได้ภาวนาได้จิตก็สงบจิตสงบก็ปล่อยวางได้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เที่ยงได้มันพาไปเลยเนี่ยความการเห็นความตายนี้เป็นประโยชน์มากเห็นแล้วพยายามเจริญมันไปเรื่อยๆคิดถึงมันไปเรื่อยๆ ว่าในที่สุดทุกคนที่เราลักเราชอบเราหลงเรายึดเราติดอยู่นี้ต้องตายจากกันไปหมดเนี่ยั้นจากกันตอนตอนเป็นดีกว่าจากกันตอนตายจากกันตอนเป็นยังมีโอกาสได้เจอกันยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันได้เวลาเราปฏิบัติเราบรรลุแล้วเราก็ไปช่วยเหลือเขาได้ช่วยให้เขาได้บรรลุต่อแต่ถ้าจากกันตายก็ช่วยอะไรกันไม่ได้ คำถามข้อต่อไปจะคุณเอ ก, กคุณนะครับการฝึกสมาธิแบบอาณาปนานสติเมื่อทําไปแล้วเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งเหมือนแยกจากการกายเบาจิตเบาจิตจะตื่นเมื่อเกิดอาการแบบนี้เรื่อยๆอยากถามว่าต่อไปต้องทําอย่างไรก็ทําบ่อยๆทำให้มันให้มันสงบบ่อยๆต้องเข้าสมาธิบ่อยๆแทนที่จะไม่นั่งดูทีวีนั่งดูหนังก็ไม่นั่งสมาธิแทน แต่ที่จะไปกินไปดื่มอะไรที่ยังไม่จำเป็นจะต้องกินต้องดื่มก็มานั่งสมาธิแทนทำให้มากๆทำให้บ่อยๆทำให้ชำนาญแล้วต่อไปก็ค่อยออกทางปัญญาพิจารณาความตายพิจารณาสุภาพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเพื่อจะได้ตัดความอยากในการรับประทานอาหารลงไปพิจารณาความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้ไม่อยากได้มีอะไรเพราะได้ของที่ไม่เที่ยงมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้ความทุกข์เท่านั้นแหละเพราะมันไม่เที่ยงมันจากเราไปมันเสื่อมไปก็ทุกข์กันแล้วนี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตอนนี้ทาสมาธิให้ชนานาญก่อนให้เข้าสู่ความสงบให้ได้บ่อยให้ได้ให้ได้ทุกครั้งที่ต้องการก่อนคาถามข้อต่อไปจากคุณชาร์ปนะครับ เราสามารถใช้ธรรมะโอสดรักษาโรคนอนไม่หลับได้ไหมคะได้ถ้าถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่คิดอะไรเดี๋ยวก็หลับที่มันไม่หลับเพราะมันคิดไงคิดแล้วมันก็ฟุ<ม>้งนั้นถ้าเรามีลมดูลมหายใจเข้าออกได้ดูไปเรื่อยๆมไม่ไปคิดถึงไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็หลับง่ายจะตายไปดีกว่า ก, กินยานอนหลับซะเองเพีย แ, แต่เราไม่มีสติที่จะดึงใจให้อยู่กับลมหายใจนั่นเอง เดี๋ยวก็กลับไปหาความคิดแล้วพอคิดแล้วอันนี้มันก็ไม่มีวันหลับแล้วพอไม่หลับแล้วอยากจะอยากจะหลับยิ่งแย่ใหญ่นะถ้ามันไม่หลับอย่าไปอยากให้มันหลับนะยิ่งอยากให้มันหลับยิ่งมันมันยิ่งไม่หลับใหญ่ถ้ามันไม่หลับจริงๆไม่มีสติที่จะหยุดความคิดได้ก็ไม่หลับก็ช่างมึงคิดไปได้เดี๋ยวมึงเหนื่อยมันก็หมดกําลังมันก็หลับเองอะแต่ถ้าอยากเนาะมันไม่หลับเลยนะความอยากนี่มันจะกระตุ้นให้จิตมันมันเตือนขึ้นมา คำถามจ้าคุณนกยุงทองนะครับอยากมีความตั้งมั่นอยากมีความอดทนอยากเป็นคนเก่งทันคนจัดว่าเป็นกิเลสหรือไม่บางอย่างก็เป็นบางอย่างก็ไม่เป็นคือความอยากมีสองชนิดอยากถ้าอยากอยากไปในทางธรรมนี่เป็นความอยากที่ดียิ่งอยากจะทาบุญทาทานอยากจะรักษาศีลอยากจะปฏิบัติธรรมนี่เป็นการกระทาเป็นความอยากที่ดี แต่ถ้าอยากจะเก่งกว่าคนอื่นอยากจะส้าร์คนอื่นนี่มันเป็นกิเลสมันเป็นความหลงยังมีตัวตนอยู่ยังมีเราอยู่เราเก่กงเขาเขาเร็วกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากแบบนี้เป็นกิเลสไม่ดี <S <S <S เขาเรียกว่าภาวะตัณหานคนที่อยากจะเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขเนี่ยเป็นกิเลสแล้ววิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญสุข เป็นแล้วก็อยากจะเป็นไปเรื่อยเก่งแล้วก็อยากจะเก่งไปไดเรื่อยไม่ให้ใครเก่งกว่าเราถ้าอย่างนี้ก็เป็นกิเลสคาถามสกุลเกษานะครับการทําสมาธิแบบลืมตานั้นจะมีพลังของสติน้อยกว่าหลับตาหรือไม่เจ้าคะการเกิดสภาวะธรรมที่เกิดในขณะลืมตาเห็นนั้นเราจะใช้หลักเกณฑ์ไหนพิจารณาว่านั้นคือหลอกนั้นคือจริงที่เกิดขึ้น คือการจะเข้าสมาธิได้แล้วต้องปิดทวารทั้งห้าถ้าเปิดทวารมันก็เข้าไม่ได้จิตยังส่งออกอยู่ถ้ามีรูปวิญญาณมันก็ไปรับรูปรูปถ้าปิดตาวิญญาณมันก็จะได้ถอนมันก็จะได้ถอนกลับเข้าข้างในได้ดังั้นการทำสมาธิท่านถึงเน้นในการสารวมอินทรีย์ตาหูจมูกเิ้นกายก็คือให้ปิดมันแต่ไม่ต้องปิดแบบเอาอะไรมาอุดหู แต่ไม่ต้องไปสนใจกับเสียงไม่ต้องไปสนใจกับกลิ่นเนื้ออะไรมันมาก็ปล่อยมันมาปล่อยมันไปให้เราอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวแต่ตานี้ควรจะปิดเพราะตานี้มันเป็นตัวที่อ่าเซนซิทีฟมากอ่ะมันมันไวมากต่อการรับรู้มันเห็นอะไรนี้มันจะปรุงแต่งขึ้นมาทันทีดังนั้นปิดมันดีกว่าปิดมันจะได้อยู่กับมันจะได้ดึงใจเข้าข้างในได้ง่ายกว่า นี่คือวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบต้องปิดทวารทั้งห้าแล้วมีสติมาคอยปิดทวารที่หกคือความคิดเรามีหกทวารด้วยกันที่ใจออกออกไปข้างนอกได้ถ้าเราปิดทวารทั้งหกมันก็จะออกไม่ได้เมื่อมันออกไม่ได้มันก็จะอยู่ในความสงบแล้วมันมีคำถามไม่ต่อนะเมื่อกี้ถามสองคำถามนี่แล้วคาถามเดียวเราจาไม่ได้แนละ้วอ๋อ นาจะว่าเออจะมีเกณฑ์ไหนที่จะรู้ว่าอะไรคือของจริงและไม่จริงครับคือได้เห็นอะไรส่วนใหญ่นี้มันเป็นของที่จะจริงไม่จริงไม่สําคัญอ่ะคือมันไม่เป็นประโยชน์ต่อาการภาวนาของเราต่อาการตัดกิเลสต่อาการดับความทุกข์ต่างๆไม่ควรไปสนใจควรจะปล่อยมันไปถึงแม้จะจริงจะเห็นเลขเห็นหวยอะไรอย่างนี้นก็ไม่ต้องไปแทงมันถ้าพอไปแทงหวยปั้บมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาทันทีเป็นความโลภขึ้นมาทันที แ้วถ้าไม่จริงก็จะหมดเนื้อหมดตัวได้งั้นอย่าไปสนใจแลนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการเห็นอะไรถ้าเห็นก็ให้รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดนแล้วจะไม่มีปัญหาถ้าไปยึดไปติดแล้วเป็นปัญหาได้เช่นเกิดสมมติว่านั่งสมาธิหลับนั่งสมาธิแล้วไปรำลึกชาติได้ว่าชาติก่อนฉั น, เ ป, นเป็นผัวของโยมคนนี้นี่หว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาทวงความสัมพันธ์เดิมอีกเดี๋ยวก็ ต้องลาสิกขาไปนะั่นๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าใจไหมต้องระวังนะเวลาเราเห็นอะไรในสมาธินี่ถึงแม้จะเป็นของจริงแต่เราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไปปฏิบัติตามกิเลสก็เสียเวลานั่งสมาธิไปเสียเวลาเปล่าๆเพราะการนั่งสมาธิของเราเพื่อกำจัดกิเลสไม่ใช่ทำตามกิเลสงั้นเราต้องาาระมัดระวังอย่างนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังมีฤาษีองค์หนึ่งนั่งสมาธิจนมีฤทธ สามารถเหาเหินเดินอากาศได้เป็นคนที่พ่อเจ้าแผ่นดินเคารพมากเวลาแกจะไปเยี่ยมพ่อเจ้าแผ่นดินกกบินไปเหาะไปวันหนึ่งไปบินผ่านห้องของพระมเหสีกำลังเปงเปืองผ้าอยู่เกิดการมัลมขึ้นมาก็เลยแวะเข้าห้องนั้นเลยมา <l ux> ขอร่วมหลับนอนกับพระมเหสีหนึ่งแล้วต่อมาพ่อเจ้าแผ่นดินทราบข่าวาก็เลยเสื่อมศรัทธาแม เนื่องจากว่ามีมีเคยความมีความเคารพอยู่ก็เลยไม่ลงโทษส่วนเดอลือศรีเองตอนหลังก็เหาะไม่ได้แล้วหมดฤทธิ์พอถูกกรมกิเลสเข้ามาความงาม จ, จิตใจฤทธิ์ที่ได้จากความสงบมันก็หายไปหมดเนี่ยโทษของการที่ไปมีความรู้ความสามารถในพิเศษเนี่ยมันถ้าไม่มีปัญญาจะถูกกิเลสออกหลอกลอก อ, กอกไปใช้หมดแล้วจะไม่มีวันที่จะก้าวไปในทางมรรคผลนิพพานได้ การจะไปสู่มังพนิพานนี้ต้องดึงใจให้เข้าสู่อุเบกขาให้ได้ให้อยู่กับความว่างเห็นอะไรก็แสดงว่ายังไม่ถึงจุดให้ภาวนาต่อไปอย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราเห็นคําถาม ข, อขอ้อต่อไปจากคุณเสริมศักดิ์นะครับฟังพระอาจารย์เทศแล้วให้พรกล่าวสาทุอยู่ทางบ้านได้บุญไหมครับถ้าไม่ได้ทําบุญมันจะได้บุญยังไองนอกจากว่าบุญที่เกิดจากการฟังเทศนะั้น แล้วการบุญต่างๆที่เราได้นี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราให้พรพรของเรานี้ไม่มีส่วนที่จะทําให้คุณได้บุญหรือไม่ได้บุญบุญนี้อยู่ที่การกระทําของคุณทําบุญสิประการเนี้ทาแล้วจะมีพระมาให้พรมาให้พรคุณได้บุญไปแล้วคําให้พรของพระนี่เป็นเพียงคําสอนว่าเออถ้าทําแบบนี้แล้วอายุจะเจริญด้วยอายุวรนนะัสุขะพะละเท่านั้นเองถ้าไม่ได้มีอะไรพิเศษให้กับเราหรอกเป็นเพียงการย้ํา เตือนว่าเอ่อทำแบบเนี้ดีแล้วขออนุมโมทนาขอให้ทําไปบ่อยๆทําเยอะๆชีวิตจะได้มีความสุขความจเจริญในอายุวันนะัสุขพะพะละเท่านั้นเองถึงแม้จะพระจะไม่ให้พรเราก็ได้บุญอยู่แล้วถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้บุญอยู่แล้วถ้าเราใส่บาตเราก็ได้บุญอยู่แล้วเรารักษาศรรีลเราก็ได้บุญอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาให้พรกับเราถ้าเราไม่ทําบุญไม่ใส่บาตไม่ฟังเทศไม่รักษาศีลต่อให้พระมา เอาเอาเทศของพระที่ให้พร อ, อัดเสียงไว้มาเปิดฟังทั้งวันมันก็ไม่ได้บุญอยู่ดีนะนะบุญมันเกิดจากการกระทําของเราไม่ได้เกิดจากการให้พรของพระคําถามจากทางยูทูบไลฟ์นะครับจากคุณเพชรนะครับการรักษาสินห้าสินแปดหากเราทําไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งแปลว่าเราจะสินขาดทุกข้อหรือเปล่าคะหรือรักษาสีลได้ขาดข้อไหนมันก็ขาดข้อนั้นที่มันไม่เกี่ยวกันฉะนั้นเราเรา เราไปขโมยขโมยของเขาเขาก็จับเราไปติดคุกแล้วแล้วก็โทษเราว่าเราไปฆ่าคนมันมันคนละเรื่องกันเรื่องใดก็เรื่องนั้นไปขาดเรื่องไหนเมื่อขาดเรื่องนั้นไปถ้าไปลักทรัพย์ก็ขาดข้อลักทรัพย์ไปถ้าไปฆ่าสัตว์ก็ขาดข้อฆ่าข้อฆ่าสัตว์ไปเพียงแต่เขาว่ามันไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นก็ว่าศีลไม่บริสุทธิ์คําว่าเขาคงเข้าใจผิดคิดว่าพอทําข้อใดข้อหนึ่งแล้วทําเมื่อขาดไปหมด เขาว่าศีลไม่บริสุทธิ์ท่านจะจะให้บริสุทธิ์ต้องรักษาให้ครบทั้ง5ข้อความหมายอรเงี้แต่คนมันแปลความหมายผิดไปว่าพอผิดข้อหนึ่งมันก็พอไม่บริสุทธิ์ก็ขาดก็ผิดทั้ง5ข้อไปเลยมันเข้ามันเข้าใจผิดควาจริงมันมันไม่ขาดหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่บริสุทธิ์ร้อยเนะี้ถ้าสอบก็ไม่ได้4จุดไม่ได้1 0 0ยถ้าผิดข้อหนึ่งก็ได้แค่80ิใช่ไหมผิด2ข้อก็ได้60ผิด3ามข้อก็ได้สี่ิบ ถ้าผิดห้าข้อก็ได้ศูนย์เนีคำถามจากคุณหนุ่ยนะครับคิดถึงแต่สัญญาเก่าเวลาภาวนาเพราะเราเคยทําผิดศีลไว้มากจะทํำยังไงดีครับแต่ตอนนี้ก็พยายามรักษาศีลห้ามานานแล้วก็ฝึกสติให้มากสตินี้จะหยุดความคิดได้หยุดความคิดเป็นในอดีตได้ให้พยายามฝึกตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งฝึกทั้งวันเลยสตินี่เราสามารถจเจริญได้ทั้งวันตั้งแต่เริ่มตากขึ้นมา ก็พุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันที่ก็อยู่กับเรื่องราวที่เรากําลังทําอยู่กําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ํานั่งหน้าแปลงฟันก็อยู่กับมันไปถ้ามันจะไปคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันพุโทโธพุธโทโธไปแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะไม่คิดเรื่องราวต่างๆแล้วมันก็จะสงบได้คําถามจะกคุณกันก็นะครับถ้าไปทําให้จิต ผูอื่นขุ่นมัวทั้งที่ไม่เจตนาบาปไหมครับถ้าไม่มีความตั้งใจไม่บาปหรือว่าถ้าเราทำไปแล้วเขาขุ่นมัวขึ้นมาเองเช่นเราอาจจะไปทำอะไรไม่ถูกใจเขาไม่ถูกใจจะถูกต้องเขาก็ขุ่นมัวได้นี่เช่นเขาอย่างเมื่อเช้ า, ชานี้มีตัวอย่างแม่กับลูกมาทำบุญ แม่อยากจะทําบุญแต่ลูกไม่อยากจะทําไม่อยากให้แม่ทำเพราะเสียดายเงินเพราะถ้าเงินแม่ามาทําบุญหมดลูกก็ไม่มีมารอดก แ, แม่มาถามว่าเอจะทำยังานก็บอกก็แบ่งกันไปสิแบ่งให้ลูกครึ่งหนึ่งครึ่งแล้วก็มาทําบุญของเราเราพูดแค่นี้เราก็รู้สึกว่าลูกก็ไม่พอใจแล้วลูกอยากจะให้เราบอกว่าให้ลูกหมดมั้งก็ช่วยไม่ได้ว่าเราพูดไปตามความเป็นจริงน เราก็บอกว่าแม่ก็ต้องไปแม่ก็ต้องอาศัยบุญแม่เวลาไปแม่เอาเงินทองไปไม่ได้เงินทองที่มีเท่าไหร่เป็นของลูกหมดแต่ถ้าเงินทองที่จะเป็นของลูกนี้แม่เอามาทำบุญลูกก็จะไม่ได้แต่แม่ก็จะได้ก็แบ่งกันคนละครึ่งก็แล้วกันแต่ถ้าลูกโลภอยากจะได้หมดไม่อยากให้แม่ทำบุญเนี่ยหรืออยากให้ทำน้อยๆเพื่อจะได้เงินเยอะๆพอเขาฟังอย่างนี้เขาก็จะไม่สบายใจได้คุณมัวขึ้นมาได้ แต่เราไม่ได้พูดเพื่อมีเจตนาไปทำให้เขาขุ่นมัวเราก็พูดไปตามหลักธรรมพูดไปตามความเป็นจริงเขาจะขุ่นมัวก็เรื่องของเขา응เราไม่มีเราไมเา่เราไม่เป็นบาปแน่นอนแต่เราอาจจะเป็นเวรกับเขาก็ได้ <c oughs> เขาจะไม่ชอบที่หน้าเราก็ได้อันนี้เร า, าช่วยไม่ได้ก็ <c oughs> ทำหน้าที่อย่างเงี้ยบางทีก็ต้องโดนมัง่งแหละแม้แต่พระเจ้ า, ายังโดนเลย <c oughs> พระเทวทัตขอขอขอเป็นผู้รับทําหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเธอเป็นใครขนาดสารุบุตรเก่งกว่าเธอทั้งเท่าไรเรายังไม่ตั้งให้เป็นเลแล้วเธอจะมาขอเป็นได้ยังไงพูดแค่นี้ก็โกรธเนยพยายามฆ่าถึงสามครั้งทำไงได้มันก็ก็คิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายก็คิดว่าเป็นวิบากก็แล้วกันถ้าคนที่เขาฟังเราแล้วก็ไม่พอใจเขาคิดจะมาทําร้ายเราก็คิดว่าเป็นเป็นข้อเป็นวิบากของเรา แต่มันก็ไม่พ้นว่าเกิดมาแล้วจะมีวิบากไม่มีวิวบากมันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่เดือดร้อนไม่มีวิบากก็ตายมีวิบากก็ตายก็ตายด้วยสองวิธีตายแบบมีวิบากก็ตายแบบไม่มีวิบากมันก็ตายเหมือนกันนั้นคนที่ยอมตายแล้วมันไม่มีปัญหาเล้อคำถามจะคุณแอนนะครับ ถ้าเราทำสมาธิโดยใช้วิธีดูลมหายใจแทนการท่องพุโทโธจะได้หรือไมค่ครับได้ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ผสมกันก็ได้แล้วนะแต่เราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนได้ผลแบบไห น, ไบบไหนก็เอาแบบนั้นก็แล้วกันคำถามจากคุณยออุนะครับคารวะนั้นสามารถไปนิพพานได้ไหมครับได้ทุกคนเนี่ยหญิงชายเด็กผู้ใหญ่คารวาเลิบนักบวชอยู่ที่มีมรรคแหรือเปล่า มีทานศีลภาวนาหรือเปล่าถ้าทำทานศีลภาวนาได้ก็ไปได้ทุกคนนี่คือวีซ่าหรือตั๋วเครื่องบินถ้าอยากจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องตีตัว๋วถ้ามีเงินตีตัว๋วจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> เป็นชาวไทยชาวต่างประเทศก็ขึ้นเครื่องได้ทท้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครอยากจะไปนิพพานถ้ามีทานศีลภาวนาก็ไปได้แต่ต้องมีแบบเต็มร้อยนะไม่ใช่มีแบบแค่ร้อยละสิบนะ ถ้าทำทานร้อยละสิบมักษาศีลร้อยละสิบภาวนาร้อยละสิบนี่ก็ยังไปไม่ได้นะยังต้องผ่อนให้เต็มก่อนต้องจ่ายให้เต็มก่อนไม่ใช่เอาเงินดาวล่อลดไปได้นะอันนี้เงินดาวล่อนิพผานไปไม่ได้ต้องจ่ายให้ครบก่อนเนืนเองยาวิีพ่านไปได้คำถามจากคุณกรุงจินนะครับเวลานั่งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วมีจิตผู้รู้อยู่กับตัว ผมไม่รู้ว่าบริกรรมอะไรจึงหยิบพุธโทขึ้นมาบริกรรมต่อกลับไปกลับมาระหว่างสงบแล้วก็หยิบพุธโธขึ้นมาบริกรรมจิตสงบมีความสุขมากในขณะนั้นจึงจะนำธรรมะอริยรรสัจสี่มาพิจารณาขอพระอาจารย์แนะนําแนวทางครับว่าถูกทางหรือไม่เพื่อจะนําไปสู่การพิจารณาอายคสติปัฏฐานครับคือถ้าจิตสงบยังไม่เป็นไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณา ควรจะปล่อยให้จิตสงบไปนานๆเพื่อจะได้มีกำลังในใช้ในการต่อสู้กับกิเลสที่เราจะต้องต่อสู้ด้วยปัญญาถ้าจิตไม่สงบนานจะไม่มีกำลังพอเจอความอยากจะสู้มันไม่ได้ยังต้องพยายามให้มันสงบนานๆนิ่งนานๆแล้วเวลาเจอความอยากนี่มันจะฝืนกับมันได้ง่ายเราจะฝืนมันได้ก็ต้องใช้ปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกกับมันสู้อย่ามีมันดีกว่าถ้ามีปัญญาด้วยต้องมีสมาธิด้วยมันก็จะฝืนความอยากได้ถ้ามันมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้จะฝืนความอยากไปทำไมไม่มีเหตุผลให้มันฝืนพออยากอะไรมันก็จะทำตามความอยากทันทียั น, นขั้นต้นต้องให้มีสมาธิให้มากๆให้มีความความนิ่งให้มากๆแลหลังจากนั้นออกจากสมาธิมาพอไม่นิ่งก็ คิดไปในทางปัญญาคิดว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นาไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันไม่สวยงามเช่นเห็นร่างกายของใครแล้วอยากจะไปได้เข้ามาเป็นแฟนนีก็พอไปเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของเขาก็จะไม่อยากได้ถ้าได้มาแล้วก็ติดต้องอยู่กับเขาเวลาไม่มีเขาก็ทุกข์นั้นให จึงให้พิจารณาสุภะเพื่อจะได้กันไม่ให้ไปรักเขาไปชอบเขาจะได้อยู่คนเดียวได้แต่ถ้าเห็นแต่สุภะเห็นแต่ส่วนที่สวยงามมันก็อยากจะได้เขามาเป็นแฟนแล้วพอได้เขามาก็หวงหวงก็ทุกข์ห่วงก็ทุกข์เวลาเขาไม่อยู่ก็ทุกข์แต่ถ้าเห็นว่าเขาเป็นอดสุภะก็ไม่อยากจะได้เขาก็อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวก็ไม่ต้องทุกข์กับเขา อันนี้คือการใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิแลให้เห็นอสุภะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเพื่อเราจะได้ตัดความอยากที่อยากจะได้สิ่งต่างๆมาเพราะการได้มาแล้วมันเป็นภาระมันจะเป็นเรื่องกดเครื่องกดดันจิตใจให้วิตกให้กงังวลให้ห่วงใยให้วุ่นวายไม่สบายใจมีอะไรมันจะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเสมอสู้ไม่มีดีกว่า อันนี้ต้องมีปัญญาเน้นการจะใช้ปัญญาได้ต้องใช้ตอนที่ออกจากสมาธิแล้วไม่เท่นั้นก็อยากเขาไปเข้าสมาธิให้เสียเวลาเลยก็พิจารณามันตั้งแต่ตอนที่ไม่เข้าไม่ดีกว่าเขาไปนิ่งปั๊บก็ดึงมันออกมาเข้าไปทําไมเหมือนเหมือนอนจะให้คนนอนหลับพอหลับปั๊บก็ปลุกมันเลยปลุกขึ้นมาทํางานเลยให้มันพักผ่อนก่อนสิให้เขาหลับให้เต็มที่แล้วเขาพักผ่อนเต็มที่แล้วเพื่ตื่นของเขาเองจิต ก, ก็เหมือนร่างกายก็ต้องการพักผ่อน ต้องการเข้าไปพักในสมาธิจะได้มีกำลังออกมาทำงานแต่พอนอนหลับปั๊บก็ปลุกมันเลยเี้ยแล้วมันจะมันจะมีกำลังมาทำอะไรคนนอนหลับไม่พอเราไปปลุกดูหน่ยหน้าตานี่โกรธขึ้นมาเลยปลุกกูทำไมใช่ไมนอนไม่พอเนี้ยอันใดการเข้าสมาธิเพื่อเป็นการพักใจเพื่อให้กำลังกลับใจเวลานิ่งอย่าไปปลุกมันอย่าไปดึงมันออกมาอย่าไปใช้งานอย่าไปพิจารณาอะไร พอให้มันนิ่งไปจนกว่ามันจะถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วทีนี้เอาไปทํางานได้เลยพิจารณาสุภาษพิจารณาความตายพิจารณาได้เลยพิจารณาจนกว่ามันจะฟุง้งฟุ้งก็หยุดพิจารณาแล้ว ก, กลับมานั่งสมาธิใหม่ทํำใจให้สงบใหม่สลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปปัญญาก็จะอยู่คู่กับใจจะไม่หลงไม่ลืมพอเกิดตัญหาความอยากขึ้นมาก็ตัดมันได้เลยหยุดมันได้เลย คำถามข้อต่อไปจากคุณพิตนะครับพอดีมีคน<ม>ที่รู้จักนับถือกันเขากําลังเป็นโรคมะเร็งที่ตับในระยะลุกลามเราควรจะพูดปลอบใจหรือให้กําลังใจเขาอย่างไรดีเจ้าคะ เ, เดี๋ยวขอบอกกันว่าขออีกสามสามถามะนะเพราะมันใกล้จะหมดเวลาแนละ้วเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายก็อย่างนี้ถ้าไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนมันก็ทําใจไม่ได้ถ้าคิดไว้ล่วงหน้าก่อนมันก็จะทําใจเตรียมตัวเตรียมใจแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ สาเหตุก็เป็นเพราะาไม่คิดถึงว่าตอนนี้จะต้องเป็นอย่างนี้พอถึงเวลาก็เลยไม่รู้จักวิธีทําใจดังนั้นขอให้เรามาใช้ตัวอย่างนี้เป็นอุทาหรณ์สอนเราว่าเราอย่าประมาทพยายามเราเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่บ่อยๆแล้วพยายามหาวิธีรับกับมันวิธีจะรับกับมันก็คือทําใจให้นิ่งนั่นเองทใจให้เฉยก็ต้องพยายามมาฝึกนั่งสมาธิกัน ถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจนิ่งเฉยได้เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่เป็นปัญหาเราจะรู้สึกเฉยเฉยได้สําหรับคนที่เป็นตอนนี้ก็วิธีเดียวที่ทําได้ก็คือสร้างอุเบกขาขึ้นมาแล้วอย่าไปอยากให้มันหายรักษาได้แต่จะหายไม่หายช่างเรื่องของมันถ้ามันจะหายก็คิดว่าหายไปเดี๋ยวมันก็ต้องมาเป็นใหม่อยู่ดีสู้มารักษาใจดีกว่ามารักษาใจทําใจให้สงบ มาสร้างอุเบกขามาฝึกนั่งสมาธิยังไม่สายเกินไปตอนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งดีไม่มีเวลานั่งไม่ต้องไปทํางานเพราะไปทํางานไม่ได้อยู่นอนบนเตียงก็ทําสมาธิได้ถ้าทําในท่านั่งไม่ได้ก็ทําในท่านอนงแต่ว่าท่านอนมันอาจจะทำแล้วไม่ได้ผลมากเพราะมันจะหลับเสก่อนถ้าลุกขึ้นมานั่งได้จะดีกว่าถ้าลุกขึ้นมานั่งไม่ได้ก็ทําในท่านอนก็ได้อย่างน้อยก็อย่างดีก็ได้ได้หลับไป หลับแล้วมันก็จะได้ลืมเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยไปดีกว่าตื่นแล้วก็ทุกข์กับความอยากให้มันหายอย่างถ้าเป็นอะไรตอนนี้ก็หัดมานั่งสมาธิเปิดธรรมะฟังไปก็ได้นะเอาธรรมะปฏิบัติไปฟังธรรมะของหลงตาที่สอนคนปเป็นโรคมะเร็งเนี่ยธรรมะชุดเตรียมพร้อมเนี่ยท่านจะสอนวิธีทําใจสอนวิธีปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บ ฟังไปแล้วเราก็หัดนําเอาไปปฏิบัติเรื่องของร่างกายนี้รักษายัางไงก็ไม่มีหายหรอกหายก็หายชั่วคราวหายแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเป็นใหม่ยังนั้นรักษาไปรักษาได้รักษาไปแต่อย่าไปหวังอะไรมากมารักษาใจดีกว่าถ้ารักษาใจให้หายแล้วมันจะหายไปตลอดมันจะไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกายไปตลอดก็ต้องมาทําใจให้สงบแล้วก็ปรลงให้ได้ สงบแล้วตร่งได้ก็สบายอีกสองข้อคําถามจากคุณดิลลี่นะครับการที่เรากลับมาเกิดในชาตินี้เป็นการที่เราต้องกลับมาตามหาพระนิพพานที่จะทําให้เราไม่ต้องเรียนไว่าไทยเกิดอีกใช่ไหมครับเหตุที่เรากลับมาเกิดนี้เพราะชาติที่แล้วจิตใจของเรายังไม่สงบยังไม่สบายทางใจใช่ไหมครับเหตุที่ยังกลับมาเกิดก็ยังมีความอยากอยู่ไงม ยังอยากเที่ยวยังอยากค้ามความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่มันก็เลยต้องมีร่างกายวันแล้วก็กลับมาเกิดใหม่คนที่ไม่มีความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ไปเกิดเป็นพรหมเลพระอนาคามีนี้ท่านไม่มีความอยากทางร่างกายแล้วท่านไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ท่านยังไปเกิดเป็นพรหมเพราะท่านยังมีความอยากมีความสุขจากความสงบอยู่ท่านเลยไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหม แล้วพอท่านเห็นว่าความสงบนี้ก็เป็นไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอท่านละความความสงบได้ละความยึดติดในความสงบได้ละตัวตนได้ท่านก็ไปถึงพระนิพพานได้ดังั้นการที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่กลับมาเพื่อจะไปพระนิพพา น, านหรอกกลับมาเพื่อมาหารูปเสียงกลิ่นรสเพราะยังตัดมันไม่ได้นะแต่ท่าดีเลยนะ คำถามพระสุดท้ายนะครับพระวัคปรนะครับในกรณีที่ในกรณีพระฤาษีพระอาจารย์เล่าถ้าปฏิบัติดีชอบใหม่จะกลับมาเป็นแบบเดิมหรือไม่เจ้าคะก็แล้วแต่ว่าถ้าจะกลับมาปฏิบัติแบบเดิมก็จะได้ฤทธิ์แบบเดิมแล้วถ้ายังไม่มีปัญญาก็อาจจะมาทำทาผิดแบบเดิมอยู่แต่ถ้าสำนึกผิดว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูก แล้วถ้ามีคนสอนวิธีที่ถูกเช่นถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนว่าอย่าไปทางฤทธเดชให้ไปทางอัปปนาให้ไปในทางอุเบกขาแล้วให้มันจเจริญอ ส, สุภะต่อไปท่านก็จะแก้ปัญหาอันนี้ได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์มาสอนถ้าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหานี้เอาล้นั้นในนี้มีใครอยากกระถางไหมโอกาสสุดท้ายถ้าไม่มีก็คิดว่า